เปิดตาแล้วก็เปิดใจเปิดส่วนประสาทพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับน้ำคือพระธรรมถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีเม่ใจของเราเนิ่งใจของเราสงบเราก็เหมือนกับผ้าขาวที่พร้อมจะรองรับน้ำย้อมถ้าว่าขาวล้นสา พ, พอก็เหมือนกับใจที่เนิ่งพอ เมื่อนาไปย้อมก็ย่อมจะซึมซับสีได้เป็นอย่างดีใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจนิ่งใจใสใจสว่างใจสงบเราก็เอาใจของเรานั้นมาย้อมในน้าย้อมคือพระธรรมน้าย้อมคือพระธรรมนี้จะย้อมใจของเราให้สะอาดให้สว่างให้สงบเย็นแล้วก็มีความสุขดัง น, นั้นทุกๆครั้งไม่ว่าท่านจะฟังธรรมจากใครที่ไหนก็ตาม ให้รำลึกนึกถึงกิจกรรมตรงนี้ว่าก่อนจะฟังธรรมธรรมะเป็นของสูงเป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดเราต้องบริหารตัวเองให้สูงให้สะอาดพร้อมที่จะรองรับธรรมะซึ่งเป็นของสูงนั้นๆหากจะเปรียบให้เห็นภาพธรรมะก็เหมือนเพชรบนเรือนแหวน เรือนแมนนั้นที่จะคู่ควรกับเพชรก็ต้องเป็นเรือนทองทองมารองรับเพชรจึงจะสง่างามสมศักดิ์สรีความข้อนี้ฉันใดการที่ท่านทั้งหลายจะฟังธรรมมให้เกิดอัทธาร ถ, ใ ห, รถให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจริงๆนั้นก็ต้องปรับตัวปรับใจให้เป็นเรือนทองมารองรับเพชรคือทำใจให้สงบให้นิ่ง แล้วก็เปิดใจให้สว่างเบาสบายส่งใจไปตามเสียงอย่างที่าาพระสารธรรมประวัติสธานุงสารีสรงใจตามเสียงไปแล้วท่านก็จะรู้เองเห็นเองว่าเมื่อเราส่งใจไปตามเสียงนั้นสมาธิก็เกิดสติก็เกิดปัญญาก็เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้ส่งใจไปตามเสียงในขณะที่พระพูดใจของเราก็อยู่โฟลทีกับเสียงของพระ บางคนนั่งฟังพระไปด้วยแต่ก็เดือดปุดปุดไปด้วยเพราะอะไรใจไม่ยูกับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับเสียงพระไปอยู่ข้างนอกอาจารห์พระเคยไปบรรยายแห่งหนึ่งแล้วใกล้ๆห้องบรรยายมีถนนมอเตอร์ไซค์ิ่งผ่านทุกสามนาทีห้านาทีแต่ว่าเราไม่ได้ส่งใจไปตามเสียงข้างนอกโยมกนหนึ่งฟัง เ้าเป็นเดือดเป็นแค่หน้ขอเวลานอกลุกขึ้นขอเวลานอกเชวนกันปิดหน้าต่างลมเลยไม่กระเลยทีนี้อิกอัดอาจารย์ม้าบลบอกว่ากิดหน้าต่างแล้วเปิดแอร์ทีนี้มันไม่ได้เปิดแอร์มานานห้องมันออก็อบอ้าวในห้องแอร์ถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยอากาศจะไม่ดีใช่ไหม เพาว่าเขาพูพรมทิ้งไว้นานเปิดแอร์ปุ๊บปลี่ยนอาบทั้งหลายที่อยู่กับพรมก็ชิงขึ้นมาเข้าจมูกผู้ร่ำฟังในห้องประชมุมปรากฏว่าวันนั้นกลายเป็นการเทศที่ไม่ค่อยได้ยินเลยเราวเท่าไหร่นะแต่สําหรับตัวเราไม่มีปัญหาอะไรคือเราไม่ได้สนใจไปตามเสียงข้างนอกหรือไม่ได้สนใจปรากฏการณ์ข้างนอก แต่คนที่มาฟังเนี่ยพอมีตัวป่วนเนี่ยลุกขึ้นก็ทำให้เสียกระบวนทั้งหมดหน่อยกลายเป็นว่ามายุ่งเรื่องเอรเรื่องอากาศแล้วไม่เป็นอันฟังธรรมอะไรเวลาชั่วโมงเดียวเนี่ยเฉพาะจัดการกับเสียงที่รบกวนก็นหมดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้แหละเป็นเหตุที่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายฟังธรรมเรามีเวลาน้อยอยู่แล้วก็ต้องปึใจให้สงบ เพื่อเอาประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่น้อยนั้นให้คุ้มค่าที่สุดทีนี้ตอนนี้ท่านทั้งหลายก็เรียกว่าพร้อมแล้วก็มาฟังธรรมกันธรรมะที่จะพูดวันนี้แต่มาภาพเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมแปลว่าธรรมสำหรับพัฒนาปัญญาธรรมสำหรับพัฒนาปัญญามีชื่อหนึ่งว่าโสตาปฏิยังคะแปลว่า คุณธรรมที่จะทําให้เป็นพระโสดาบัณคุณธรรมที่จะทําให้เป็นพระโสดาบัณทั้งหมดนี้มีสองชื่อหนะ่ะหนึ่งปัญญาวุธิธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องพัฒนาปัญญาสองสสดาปติยงังคะแปลว่าธรรมที่จะทําให้เป็นพระโสดาบัณหรือธรรมที่เป็นคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบัณ ดังนั้นใครอยากเป็นพระโสดาบันต้องตั้งใจฟังดีๆนะเราได้ยินมานานแล้วโสดาบันโสดาบันนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยวันนี้จะพูดให้ฟังโสดาบันก็หมายความว่าพูดถึงกระแสมาจากคาว่าโสดาบวกกับคาว่าปันนะหรืออาปันนะโสตาปัญนะโสตาบวกอาปัญนะ โสตาภาษาไทยเป็นโสดาแปลว่ากระแสอาปันะแปลว่าถึงผู้เข้าถึงโสตาปันะหรือโสดาบันก็แปลว่าผู้ยังลงสู่กระแสหรือผู้ถึงกระแสกระแสอะไรกระแสแห่งพระนิพพาน โสดาบันก็คือผู้ที่แรกอย่างลงสู่กระแสะแห่งพระนิพพานถ้าเปรียบพระนิพพานเป็นห้องน้ําท้าโสดาบันก็เป็นคนที่แรกเอาเท้าอย่างลงสู่ห้องน้ําแล้วได้รู้ว่าน้ํานั้นเย็นชื่นใจท้จาโสดาบันก็เป็นสะกะทาคารี สกาธาคามีแปลว่าผู้จะเวียนมาเกิดอีกครั้งเดียวเปรียบให้เห็นภาพก็หมายความว่าคนที่เอาเท้าทั้งสองอย่างลงไปในน้ำโสดาบันนี้อย่างลงข้างเดียวนะสกาธาคามีนั้นอย่างเท้าลงทั้งสองข้างอุยมันเย็นชื่นใจขึ้นมาถึงทั้งสองข้างเลยอนาคามีผู้ที่จะไม่กลับมาสู่โลกนี้เองเรียกว่าคนนี้ถ้าเปรียบให้เห็นภาพก็ลงไปอาบน้าในลำธารหน่อย ลงไปดำผุดดำว่าอยู่ในมหาสมุทรด้วยความชื่นใจเลยแต่ยังไม่ปลอดภัยอาจจะถูกน้ำพัดได้อาจจะจมน้าได้ต้องไปให้ถึงพระอรหันต์พระอรหันต์นี้กระโดดโลงน้ำตุ้มทั้งตัวดำผุดดำไวได้น้องเล่นในน้าสบายยังไงก็ไม่จมข้ามไปฝั่งโน้นข้า ม, มาฝั่งนี้เย็นชื่นทั้งกายทั้งใจยังไม่พอ สามารถว่ายในน้ำเหมือนลาได้ด้วยนี้เรียกว่าพระอระหันต์เพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้คือโซดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอระหันต์จึงเปรียบได้กับคนสี่คนที่อย่างลงสู่กระแสน้ำแห่งพระนิพพานตามลำดับต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่ง โสดาบันผู้แรกย่างลงสู่กระแสพระนิพพานเหมือนคนที่เอาเท้าย่างลงไปในลำธารน้นเย็นเฉียบข้างเดียวแล้วรู้ว่าอุย้ยลำธารนั้นเย็นชื่นใจแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าทุกทั้งหลายซึ่งคนมีอยู่ในโลกนั้นเปรียบเหมือนเขาหิมพาน แต่ทุกที่คนซึ่งบรรลุธรรมเป็นพระสวัสดาบาลแล้วมีอยู่นั้นน้อยนิดเดียวเท่ากับเม็ดฝักกาดขนาดเป็นพระโสดาบันนะทุกเหลือเท่าเม็ดฝักกาเท่านั้นเองน้อยมากส่วนจั ก, การาคาคามีเป็นคนที่เอาเท้าทั้งสองข้างอย่างลงไปสู่กระแสน้ําอันเย็นเฉียบและรู้ว่าน้ํานั้นเย็นชื่นใจแต่ยังไหวไม่เป็นพระอนาคามีนั้นกระโดดลงน้ําแล้ว แช่น้ำสบายทั้งเนื้อทั้งตัวเปียกหมดดำลงสู่ก้นน้ําก็ได้จะว่าเย็นชื่นใจไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัยเพ่อะไรยังไหวไปฝั่งโน้นไหวไปฝั่งนี้ไม่เป็นต้องรอให้ถึงพระอ า, หารหันพอเป็นพระอ า, หารหันแล้วกระโดดตู้ลงน้ําจะนั่งแช่อยู่เฉยๆก็ได้ จะว่ายไปไว่ายมาก็ได้จะดำงลงนนยนะเหมือนปลาก็ได้อันนี้ก็เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าพระอริยบุคคลสี่ลดับนั้นเปรียบกับคนที่อย่างลงสู่กระแสน้ำแล้วเป็นอย่างไรทีนี้เราจะมาเจาะพูดเรื่องคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสวสดาบันหรือคุณธรรมที่จะทำให้เป็นผู้เจริญด้วยตัญญาทำหมดนี้มีสองชื่อดังนั้นจึงจะพูดควบกันไป ใครอยากเอาแค่พัฒนาปัญญาก็ก็ได้ก็พอก็ไม่เป็นไรหรือใครหวังให้สูงกว่านั้นก็หวังให้เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันฟังแล้วก็พัฒนาตัวให้เป็นพระโสดาบันก็ได้แล้วใจจะเลือกคุณธรรมที่จะทําให้เป็นผู้ที่จเจริญด้วยปัญญาหรือคุณธรรมที่จะทําให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของพระโสดาบันมีสี่ประการด้วยกันหนึ่งเสวนาสัตบุรุษสัตบุรุษ สองสะดับสรธรรมสามรู้จักคิดสี่ปฏิบัติธรรมถูกหลักเสวนาสัตบุรุษถอดเป็นภาษาไทยว่าคบคนดีสะดับสัธรรมถอดเป็นไทยอีกทีหนึ่งว่าฟังคนดีรู้จักคิดพอดเป็นไทยให้ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าคิดให้ดี ปฏิบัติธรรมถูกหลักถอดให้กระชับว่าปฏิบัติให้ดีคุณโยมจะเห็นว่าภาษานั้นมันขยายความกันเป็นลำดับลำดับถ้าแปลให้ดีแล้วมันเข้าใจชัดในหลักของพระนักเทศชั้นนำพระพุทธเจ้าจะทรงวางหลักเอาไว้ว่าพระทุกรูปควรจะมีหลักปฏิภาณหรือปฏิสัมพิทาสี่อย่างคืออะไรหนึ่งธรรมะปฏิสัมพิทาแตกฉานในธรรม อัตตะปฏิสัมพิธาแต่ฉานในผลผลของธรรมนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าข้อหนึ่งก็คือรู้เหตุก็สองก็คือรู้ผลสามปฏิพานปฏิสัมพิธาใครถามปัญหาอะไรมาแก้ได้ทำทันทีสามารถตอบปัญหาเป็นปุจฉาวิสชนาได้อย่างทันท่วงทีไม่มีติดขัด และก็สี่นิรุติปฏิสัมพิทามีความแตกฉานในภาษ า, าศาสตร์เพราะฉะนั้นอาตมาทาพจึงพยายามในการที่จะใช้ภาษาในการเผยแพร่ธรรมให้มีความละมุนละไมคุณโยมทั้งหลายฟังแล้วอ่านแล้วชื่นใจเข้าถึงอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ในงานหนังสือของอาตมาาพทุกๆเล่มบรรจมใช้ภาษาอย่างประณีตเลย เพื่อให้ภาษานั้นเป็นอุปกรณ์นำท่านทั้งหลายเข้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าให้ใกล้ที่สุดอย่าง น, น้อยก็ไปยืนอยู่แทบเรื่องพระยุคลบากส่วนการปฏิบัตินั้นท่านต้องปฏิบัติเองพระพุทธองค์ทรงความสําคัญกับภาษาบักมา ก, มากครั้งหนึ่งมีพระรุ่มหนึ่งเข้าไปกราบทูลขอให้พระองค์ทรงเผยแผ่ธรรมเป็นภาษาสันสกฤตพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยพิสูจนทั้งหลายอย่าได้ชอบใจอย่างนั้น เธอทั้งหลายอยู่ในแห่งหนตำบลไหนก็ตามเมื่อไปเผยแผ่ขอให้ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ทำไมจึงต้องใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่นั่นก็เป็นเพราะว่าภาษา ส, าสันสกฤตนั้นเขาใช้เฉพาะในหมู่คนชั้นสูงถ้าเระพุทธเจ้าจำกันในภิสูทั้งหลายเผยแผ่ทำด้วยภาษา ส, าสันสกฤตถ้าธรรมะเป็นของดี ของดีนั้นก็จะถูกจำกัดให้ใช้อยู่เฉพาะในหมู่ชนชั้นพราหมเท่านั้นเองแต่ด้วยความชาญฉลาดพระองค์จึงบอกว่ายาจากัดภาษาไว้ในยาจากัดธรรมะไว้ในภาษาเผอแผ่ธรรมะด้วยภาษาอะไรก็ได้ภาษาท้องถิ่นภาษากลางภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาอะไรก็ได้ทุกทุกภาษาที่เธอสังเัตนั่นแหละ เอามาเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพร่ธรให้ได้ทั้งหมดอย่าให้ธรรมะติดตันอยู่ในขอบข่ายของภาษาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความอาัศจรรย์ของภาษาธรรมะมากมากเลยนั่นก็คือว่าเมื่อภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ในภาษาอะไรก็ตามสำเนียงอะไรก็ตามเราสามารถสื่อสารธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยภาษานั้นๆแต่สำเนียงคงอยู่เราไปฟังพระธรรมะ ตั้งนณโมเพราะก็บอกนณโมไปสังพระฝรั่งตั้งหณโมท่นก็บอกณโมไปสังพระชีนุ่งก็บอกนณโมสำเน่า ม, นนมันอาจจะเพีย้ยนจะเพี้ยนกันบ้างแต่พอออกเสียงแล้วเทียบดูทุกคนรู้ว่านั่นภาษาธรรมของพระพุทธเจ้าหมายความว่าภาษาอะไรก็ได้แต่ว่าในเงีงสยกำเนียงแล้วมันเชื่อมโยได้เลยว่านั่นคือธรรมะหรือแม้แต่คําว่าธรรมะ ภาษาไทยเรียกธรรมะอินเดียได้เรียกดัมมะใช่ไหมพอไปถึงญี่ปุ่ น, นเป็นอะไรปรมาจารย์จับหมอก็ได้ยินนะเคยมีชื่อมีเสียงอยู่ในในญี่ปุ่นในจีนพอไปอยู่ญี่ปุ่นเขาเรียกดโดีดูดีดัมมะเรียกว่าตามหารักษาแท้ไม่เจอพอไปจีนเป็นจับหมอเลย แปลกไหมแต่ละเมื่อเมื่อพิจารณาจากรากศัพท์จริงๆเราก็จะเห็นรากว่ามันร่วมกันอยู่อย่างบุโรพทบูโรบูดบูโรบูดสิงคโปก็คสิงคาปุระสิงหาปุระเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารากศัพท์จริงๆนั้นมันดึงเข้าหาทำ ม, มาได้ทั้งหมด นี่คือความอัศจรรย์ในการใช้ภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นในการที่จะเผยแผ่ธรรมพระสงฆ์หรือผู้เผยแผ่ธรรมคือชาวพุทธทั้งหลายนี้นอกจากจะมีความรู้ธรรมะเป็นอย่างดีแล้วขอได้โปรดอย่ามองข้ามศักยภาพในการเผยแผ่ด้านภาษาของเราอย่าใช้ภาษาที่สูงจนคนฟังฟังไม่รู้เรื่อง หรือใช้ภาษาวัตถุเรียกกันว่าอารามิกาโมหานจนถอดอยังไงก็ไม่เจอของจริงเราจะต้องใช้ภาษาอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นนายของภาษาย้ายภาษาเข้ามาครอบงำดังนั้นเมื่อจมามพะพูดถึงข้ออ่านข้อธรรมทั้งหลายทุกครั้งถ้าคุณยอมสังเกตก็จะเห็นว่าพยายามแปลถึงสองชั้นสามชั้นเพื่ออะไรให้คุณยอมเข้าถึ ง, ง่ายที่สุดเลย แต่ว่านาสัตบุรุษนี้ถอดมาจากคำว่าอะไรสัพปริสังเสวะสัพริสังเสวะแปลว่าเสวนาสัตบุรุษสัตบุรุษตัวนี้สอเสือไม่หันต่อเต่าอ่านว่าสัตบางคนให้อ่านสัตตาถ้าอ่านสัตตานี้มันแปลว่าร้อยหรือถ้าอ่านสัตตานี่แปลว่าเจ็ดถ้าอ่านสัตตานี้แปลว่าร้อยมันสตางสัตตานี่ก็เป็นเจ็ด อ่านอย่างนั้นก็เผิดอีกต้องอ่าว่าสัตสัตว์บรุษบุรุษผู้สงบไม่ใช่บุรุษผู้เป็นสัตว์นะงั้นแต่ว่านาสัตว์บุรุษสัตบุรุษคือใครถอดอีกทีหนึ่งคนดีเนี่ยชัดแล้วสัตบุรุษคือคนดีระดับสัทธรรมถอดมาจากคําว่าสัทธรรมมัตสวรรค์ดับสัทธรรมเป็นภาษาวัดอยู่นะแปลอีกทีหนึ่งให้มันพ้นกำแพงวัด ฟังคนดีชัดหรือยังฟังคนดีรู้จักคิดถอดมาจากบาลีว่าโยนิโสมณสิการรู้จักคิดรู้จักคิดมันคิดยังไงเกิดมาฉันก็คิดอยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็คิดฉันก็รู้จักคิดแปลใหม่พ้นจำแพงวันเลยคิดให้ดีมันชัดขึ้นพอรู้จักคิดเนี่ยเกิดมันก็รู้จักคิดใช่ไหม นักการเงื น, นชอบฉนวนมันก็รู้จักคิดแล้วมันจะเอาเงินยังไงเนี่ยมันรู้จักหมดแต่พอเระบอกคิดดีดีปุ๊บเนี่ยมันจํากัดกรอบให้ชั้นเลยแสดงว่าคิดได้ร้ายไม่เอาคิดตื้นตนก็ไม่เอาคิดสเตสะตะก็ไม่เอาคิดฟุ้งซ่านก็ไม่เอาเอาคิดดีปฏิบัติธรรมผูกหลักพอมาจากทํามมาแล้วธรรมมปฏิบัติถ้าแปลตรงตัวท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำ มันโยมก็สงสัยแล้วว่าอา้าปฏิบัติยังไงมันจึงจะสมควรแก่ธรรมแต่มาพัดจึงแปลหม่ว่าปฏิบัติธรรมสุขหลักหลักมันก็มีหลายหลักหลือก็อนเอาหลักไหนแน่แปลอีกท่านึงเป็นปฏิบัติให้ดีก็แล้วกันหลักไหนก็ได้แต่ว่าปฏิบัติให้ดีจลับมาเลยเอาหลักเดียวก็พอล่ะสันโดษก็ได้แต่ว่าปฏิบัติสันโดษให้ถูกก็แล้วกันมันกระเพื่อนถึงลิพานเลยนะ รักษาศีลอย่างเดียวนะแต่ถ้าปฏิบัติให้ดีนะทําลุกถึงนิพพานเลยทําทุกข้อของพระพุทธเจ้าเหมือนดอกไม้ที่ร้อยอยู่ในโวงมาลัยเดียวกันดอกไม้ที่ร้อยอยู่ในโวงมาลายเดียวกันก็โยมแตะดอกไหนกระทวนทุกดอกสำคัญก็คือแตะให้ถูกแตะให้เป็นปฏิบัติทำเช่นเดียวกันเลือกออกมาเลยข้อไหนก็ได้ปฏิบัติให้เป็นทำทุกข้อเชืเอ่อมโยงถึงกันหมดเลย นี่คือความมหัศจา ร, รย์แห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าร้อเรียงทัางชยงประจมแต่ข้อไหนถึงทุกข้อเอวันนี้เรามันแตะบางข้อและไปติดตามังข้อเช่นปราศิลแล้วครครุ่นใจไฉันนี่มันมีสินเฮ้ยตั้งอยู่แถวนั้นมันมีสินสู้ใช่หรอกเนี่ยแล้วเราก็เกิดอันเดชโศขึ้น ม, มาละ ที่เราปฏิบัติถึงข้อเดียวก็ยิ่งมีไม่ปฏิบัติหลายข้อนะเอาเรื่อนี้ในแงการทําความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องทําความเข้าใจเกี่ยวกับชี้ข้อธรรมต่อไปดูเนื้อหาของธรรมแต่ละข้อถือว่าในสัตว์บุรุษเรื่องดีดีในที่นี้เอาความหมายแค่ไหนคนดีนี้มีหลายความเยอะเกินอาจมาข้อนี้ง่ายเลยคนดีคือคนที่ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาถ้าดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแล้วหมด เป็นคนดีแน่นอนคนที่ดําเนินชีวิตด้วยแบบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตแปล ว, ว่าผู้ดําเนินชีวิตวปัญญานี้จึงเรื่องคนดีคนเพื่ไปดําเนินชีวิตท่านทั้งหลายคนนั้เพื่อไปดําเนินชีวิตด้วยกันดําเนินตามสัญชาตญาณสอ ง, งเนินชีวิตตามสิ่งเรา้าวสามดำเนินชีวิต เพราะถูกดิ้นและดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณเมื่อเราเกืแล้วหิวก็หาเสทียรสมรุปหนีเลยไม่ต้เกรงใจใครอยากอะไรที่มันรู้สึกขึ้นมากับท่าไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังยืดยาว่าสุดยังไงก็ตามนั้นเลยทำตามสัญชาตญาณ สอาดำเนินตามสิ่งเรา้าสิ่งเราเ้าคืออะไรกิเลสตางวัตถุกรรมอะไรก็ตามที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นใจมันมาเร้ามันมกระตุ้นตึ๊ดหกักพออยากก็เต้น ม, มันไปเลยกระโดดตามเห็นรถรุ่นนี้เบียดตะกายเอาที่ได้เขาอยากเขามีเขาเป็นเขากินเขาบุมเขาอะไรเห็นนี่เขาเป็นเขากินเขาดื่มเารเารู้เราเห็นแล้ว ถูกกระตุ้นแล้วก็ตามไปเลยนี่แหละเรียกว่าดำเนินตามสิ่งเราตอเปลีนชีวิตเ อ, อะไรขันถูกขันทั้งหลายเราอยู่ในตสภาพชีวิตไหนเราก็ถูกสภาพชีวิตแบบนั้นเบียดท้าเช่นคนที่เกิดในวันนั้นของอินเดียเนี่ยเรียกว่าวันนั้นไม่มีทางขยับตัวสูงเลยสังคมเขาจากัดคุณไว้คุณก็ต้องใช้ชีวิตชนชัน้นสูตรของคุณคืออย่าขยับเป็นคนสูงงานของคนคือ ง, งานต่ําๆล้างผล ข, ขยะ กินของเศษของเหลือล้างห้องน้ําเป็นกับมกอมีเรียกว่าสภาสังคมดิบอยู่อย่างนั้นชาตาปิปีหรือคนที่กุศลไม่ได้ใจจะติดยาเสพติดออกนะเกิดมามันก็เจอแล้วใช่ไหมล่ะคุณต้องติดเพราะมันเห็นตจำบังตาอย่างนั้นสุดท้ายก็เลยเป็นขี้ยาสภาพมันดิบครับหรือคนกรุงเทพมีใครบ้างแบบบ้านดึกดึกเวลาแต่ทำงานที่ออก ใช่ไหมหรือใครบ้างอยากปลกลอกเติมจะจีสี่แล้วบอกลูกหลับกันไงรถหรืใครบ้างอยากทําอย่างนี้กับโลูกอันทักแต่แค่จําจเป็นต้องทํานะเพราะอะไรสภาพแรกลรามันดิ้นือใครบ้างหยากมาอยู่ในโรูทั้งสี่เหลี่ยมเนี่ยกล่องไม่ขีดทั้งหลายเนะี่ยใครอยากมาอยู่ล่ะสนามมไม่ดีอยากเลี้ยงหมาเขาก็ไม่ได้แต่จะตมองอยู่นะเพราะอะไรกรุ๊ปเพศดีเหมาะจะหาเงิน แต่นิ่งเหมาะที่จะใช้ชีวิตทำไมเลือกทึงพ่อทึงแม่มาก็สภาพสังคมคันเนี่ยไม่มาก็ไม่ไดีอะไรใส่ท้องจริงเตี้ยนขึ้นรถ็มลนที่นั่งพระเขาเขียนติดไว้แลราสำหรับพระพิกแต่เราขึ้นก่อนเพราะเ็นนั่งเสร็จแล้วหลับพระมาใล่หลับ <c oughs> อาธรมาภาพเลิกขึุนเน่ก็เพราะอย่างนี้นหะครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยตอนเรียนปีนขึ้นที่ข้างคำเรียกหลังนั่นนะขึ้นไปก็หนึ่งนั่งที่นั่งพระกระเปรถเม ก, ก็มาเรียกแกมุนเราก็ยืนเก๊ๆกลางๆแล้วคนมองเราเป็นสายตาเดียวเอาไงดีล่ะเขินเล้อขินถ้านะทามันไม่ถูกอ่ะจะโ ห, หดใช่ไมพเพาะเครื่องแต่งตัวเรามันไม่เหมือนม ก็ยืมมาแค่กัางๆอย่างนั้นนะทศมากำังต่รถเมงี่คนนั้นลุกกว่ามันจะเป็นนาทีสองนาทีงเงื่อนแยขึ้นน่าล้อ ก, กันบอกว่าผมหลับไม่ค่อรู้อะไรหรากถ้าไม่รู้ตอนนี้ก็รู้จะมีผลลุก <c oughs> มันก็มองแน่ก็ะต่อเริ่มเอาเรื่องเลยผมไม่ค่อยสบายขเขาก็บอกสบายสบายคุณไม่มีเสียนั่งตรงนั้นคือเขาเขียนเจ็เอาไว้มาที่นั่งสำหรัคระทุ เขาหันไปมองตัวอักษรมัธยุที่เรียกว่าเยวรรษษีกวนศาสสุดแต่ไม่ลุกนะปุด ท, ท้ายก็เต่ารถเลยถึงขั้นจุดให้ลุกเรียกว่าต้องช้ากันออกจากเบาะนั้นในระหว่างตาทุกผู้มองมาที่อัตมภาพสามารถเดินตัวเล็กๆพอลงจากรถแทรมากกว่าจะได้ที่นั่งมาสักทีนะมันดําัตถุสสาิมันเดือดร้อนตัวเองก็ต้องเป็นเต้าสายตา เพื่อตเองหลงเกินนะอั้งแต่นั้นมาก็เลิกขึ้นรถเมเล์ทันไรนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราหันลหลังเมลเพราะไปขึ้นไม่เพียงไม่ได้รับการปฏิสันด้วยความเคารพเลื่อมสายจากลมเท่านั้นยังจำเยิ้ต้องทำรอบบ่าวแหวงกันบีต้องเกิดเรื่องเกิดราวลมแหดโตเกิดความมาค่าพยาเทียดแขนญาตโ ย, ยมศรัทธา้าอยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกประท้างาอยู่ไม่ถูกที่ถูกคนที่ไม่ศรัทธาก็บมดา คนที่มีศรัทธาเ ย, ย็่ในสภาพอย่างนั้นเขาก็รู้สึกสมเพเห็นหรื อ, อยังไม่ผลเสียอะไรก็เกินเพราะฉะนั้นจะมาบายแล้วกันตอนนี้เอาแล้วคนี่เป็นสาเหตุคือทีมีที่มาที่ไปเราดําเนินชีวิตเพราะถูกสัมภามะบีบคัน้นไม่มีปัญญาเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรอมเหมือนคนเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นมนุษย์เงินเดือนไปหมดนั่นใช่ไหมพ่อป่วย ถ้าไม่เข้าโรงมัาจริงๆหนูไี่ปลึก บ, บอกพ่อด้วยลาไม่ได้หายไปให้ลามีคนเดียวในโลกอ่ะแต่ตัวไรหาใหม่ได้แต่เราม่อเราเลือกที่จะทำงานเพราะอะไรความลูกจ้างเขามังดีบคันเราว่าต้องฝนายสุดท้ายพ่อกลับไปตอนไหนบันเป็นผู้สนสามบันขอบันเผาพ่อรอลูอกมาทั้งชีวิตนะนนลูกบันเผาเผาเสร็จแฟนมอลูก ขึ้นรถบัวกลับกรุงเทพแทบไม่รู้สึกไม่รู้สกากับที่สุดในชีวิตของเราซึ่งเราสิ้นหนังอย่างชนิดที่ว่าไม่มีทางเจออีกแล้ววันหนึ่งที่เป็นพ่อคนแม่คนถึงได้เข้าใจอ้อม อ, อกของพ่อของแม่นั้นจะสูงแค่ไหนพ่อแม่ไม่อาอีกแล้วนี่คือสภาพแวดล้อมมันดีของเราให้นัดวันก่นใจไม้ใส่ระกกรรนี่หล้ชีวิตด้วสภาพแวดล้อมเหล็กคัน ครั้งหนึ่งตาจารย์มาพักเคยไปไงแล้วไปเจอกรณีอย่างที่ว่านี้ตัวเองเราก็นั่งสาลาเพราะว่าญาติที่นั่งศพเอาไว้ถึงห้าวันกติเอาสพไว้ห้าวันเนี่ยถ้าไ ม, ไม่มีใครทําในต่างจังหวัดปัณณ์นี่ก็ได้วันหนัก อ, อกหนักใจงานศพไม่ใช่งานของทีงใจนะเป็นงานหนักหนัก อ, อกหนักใจญาติเอาศพไว้ตั้งห้าะอะไรรอลูกคนเล็กของพ่อ ตลอดเวลาสีวันนั้นลูกสาคนเล็กของพ่อลาง่ายลาสุดท้ายคือวันเผาพ่ออาตจเราเดินาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมรู้เหตุการณ์กานั่งสังเวก่อนที่จะลุกขึ้นสู่เชิงตะกอนเนี่ยลูกสาวของพ่อลงจากรถพัวก่อนหน้านั้นได้กี่นานทีแล้วก็จับมอเตอร์ไซค์รับตั้งไปที่ฝ่าช้า ไปถึงเข้าไปกราบพระด้วยอาการลุ ก, กลี้ลุกหล่นขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์จากนั้นเผาสพพออทุกหนึ่งไม่ถึงสิบนาทฤฤฤฤีเข้าไปกราบคุณตาคุณยายกราบพระบอกว่าหนูต้องรีบกลับรถทัวร์เที่ยวเย็นนี้ให้ทันอาจารยพเห็นแล้วบอกได้เลย ว, ว่าสังเวชสัตว์โลกมากๆพ่อเราแม่เรารอลูกมาทั้งชีวิตรีบกลักกบสงกรารห้าวันไปนอนกับเพื่อนสามวัน นอนที่บ้านกับแม่หนึ่งคืนเอกนงกนคืนทำอะไรเมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเด็กต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเรากลายเป็นคนที่ใจไม้เส้แะกรรมสอบผู้มีพระคุณของเรานับวังเก็นอย่างนี้มากขึ้นทุกทีทุกทีกระทั่งจนวาระสุดท้ายเราก็แทบไม่มีเวลาให้บุพก า, ารีของเราเป็นตัวอย่างที่มีให้เห็นกันเกลือเกิน ไปรู้ไปเห็นกับตาแล้วก็เรียกว่าสังเวชมากๆเราทั้งหลายกำลังถูกสภาพแวดล้อมดีบคั้นให้เหลือความเป็นมนุษย์น้อยลงทุกทีจริงหรือไม่จริงงานจิตําใจหายากเหลือเกินไปดูปวดตามท้องถนนรถตัดหน้ากันเป็นมาเล่นใครชิงก่อนได้ก่อนใครหน้าด้านก็ไปก่อนใครละอายแก่ใจก็รอข้างหลัง มนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นทูกทีสภาพได้ล้อมดีพันนี่ต้องตีชิงยิเราแข่งขั น, ขนกระทั่งทํายังไงก็ได้ขอให้ประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องคํานึงถึงความสง่างามก็ได้เห็นทั้งอย่างทําทุกอย่างขอให้มีเงินมีทองแม้กระทั่งว่าร่วมหัวกันขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองเขาก็ทําขาดความละอายใจใจบ้านเมืองของเรา กำลังเต็มไปด้วยผู้บริหารที่ขาดความละอายแก่ใจเมื่อขาดความละอายแก่ใจคณะผู้บริหารก็คือคณะกองโจรที่รวมหัวกันต้นประเทศนั่นเองคนไทยรู้สึกรู้สาไม่รู้แต่สภาพแวดล้อมบีบคั้นให้อยู่เฉยๆรว้มากไม่ได้ไม่ปลอดภัยนี่แหละคุณโยมจะเห็นว่าทุกวันการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ คือถ้าไม่ใช้ชีวิตตามสัญชาตยาณก็ใช้ชีว ต, ตามสิ่งเร้าย่อให้ยากแล้วหลอกให้ซื้อเห็นทุกวันทางโทรทัศน์หรือนี่เช่นนั้นก็ใช้ชีวิตตามสภาพแวดล้อมปิดคั้นจะมีสท่าไ่คนในโลกนี้ที่ดาเนินชีวิตด้วยปัญญาดําเนินชีวิตด้วยปัญญาไม่วิ่งตามยุคสมัยไม่วิ่งตามแฟชั่นไม่เหยืตามสิ่งไร้สาระ อาจารย์แม่ไเคย อ, อ่านพระราชจริย์วัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ห, หัวแล้วประทับใจมากครั้งหนึ่งมหาเล็กห้องสงเอาหลอดยาสีพระทนของพระองค์ไปทิ้ตงตอนหนึ่งเมื่อพระองค์จะสงถามว่าหลอดยาของฉันไปไหนมหาเล็กกล่าวบังคมภูมิว่าทิ้งแล้วพระองค์บอกว่าไปเอามาฉันยังไม่ได้สั่งให้ทิ้ง มหาเล็กก็ไปเอาหลอดยาสีพระทนที่ทิ้งถังกระดาษแล้วน้ำคืนมาถวายพระองค์พระองค์เอาหลอดยาสีพระทนนั้นมาเรียกใช้จนแบนเหมือนแผ่นกระดาษได้ห้าวันท่านผู้หญิงเทชราเทชะกัมพุธถ้าจําไม่ผิดนะเป็นทันตแพทย์หญิงซึ่งทําพระทนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฟังเรื่องนี้จากพระโอษฐของพระองค์แล้วขอหลอดยาสีพระทนซึ่งพระอรีบจนแบนนั้นมาถ่ายทําเป็นโตสเตอร์ แจกไปทั่วโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ลึกไทยหลานไทยได้ดูว่าสมเด็จพ่อของเราดำเนินชีวิตอย่างไรทรงเหิตามแฟชั่นหรือเปล่าไม่ทรงเหิตามสินราหรือเปล่าไม่ทรงถือสภาพแวดล้อมดีบคันหรือเปล่าไม่แต่สงดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจริงๆ ครั้งหนึ่งมีคนเอารองเท้าคู่หนึ่งไปให้ช่างเล็กๆแถวเขตดดสิษนี้แหละตัดนายช่างก็ตัดอย่างดีเลยแล้วก็ส่งคืนไปอาทิตย์ต่อมาก็มีคนเอารองเท้ามาให้ตัดอีกนายช่างก็เอกใจว่ารองเท้าใครเขาบอกว่าของเบุญดอนนายช่างเลยเรู้ว่าที่เอามาตัดเนี่ยรองเท้าคู่แล้วไม่เกียร้อยเอามาตัดเอามาซ่อมใช้จนสุกเลยนะส่งมาซ่อม นายช่างบรรจงตัดทูนเปรตทูลก้าวถวายแล้วเอาชิ้นส่วนรองเท้าที่เขาซ่อมนั้นเหลืออยู่นั้นใส่ผ่านก้นกราปเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเให้สมนักหนังสือพิมพ์หลายฉบับบอกว่าสำหรับช่างตัดรองเท้าเล็กๆอย่างผมการได้ตัดฉลองพระบาทถวายพระเจ้าอยู่หัวคือเกียรติยศที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตผมไม่ต้องการอะไรเรื่องนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ชีวิตด้วยปัญญาคือพระองค์ถ้าใช้ชีวิตตามกิเลสจะเอารองเท้าคู่ละหกหมืเนมันเดบิตได้แค่ ก, ก็ได้โคมไฟระยะคู่ละสี่แสนเงินเดือนนี้สเสียก็ได้พระองค์ทำได้ทั้งนั้นนะแต่ไม่ทำเพราะอะไรทรงดำเนินชีวิตด้วยปัญญาใช้สิ่งของ โดยไม่จกเป็นธาตุของคําโฆษณาใช้วัตถุใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีโดยมีวิธีคิดอยู่บนพื้นฐานของพุทธธรรมที่เรียกว่าวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมการบริโภควัตถุนะั้นมีสองอย่างบริโภคแบบคุณค่าแท้คือบริโภคที่ประโยชน์ของมันตรงๆและบริโภคแบบหลงในคุณค่าเทียมคือบริโภคแบรนด์บริโภคตราสัญลักษณ์ เช่นเรามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งบริโภคแบบคุณค่าแท้ตามหลักของในหลวงคือไงรายการสิบเก้าก็สงสัยได้พระองค์เล่าว่านาฬิกาที่ใส่นั้นเป็นยี่ห้อใสแล้วโก้ราคาไม่ถสี่ร้อยบาทนะแต่ได้ขาวว่านักการเมืองไทยคนหนึ่งใส่นาฬิกาเรือนหนึ่งเจ็ดแสนบาทนักการเมืองไทยเดี๋ยวเนี้ยห้องน้ําของเขาบุกทองคํา โหนชักเรียกเลยนั้นดุทองคํารถคันหนึ่งราคาเท่าไหรยี่สิบกว่าล้านขับมาประชุมสภาเป็นบางวันนี่เรียกว่าใช้ชีวิตโดยหลงในคุณค่าเทียมดังนั้นถ้าเราเป็นชาพุธใช้ชีวิตด้วยปัญญาใช้ที่คุณค่าแท้ของเข้าของนาฬิกามีไว้บอกเวลาไม่ใช่มีไว้แสดงอัคราฐานของตัวเอง ไม่ใช่มีไว้ข่มคนอื่นรถมีไว้ขี่ไม่ใช่มีไว้เพื่อบอกคนอื่นว่าฉันรวยไม่ใช่มีไว้เพื่อจะได้ฝ่าแฟันเรงสะดวกสะดวกในเมืองไทยของเราเต็มไปด้วยคนที่ใช้ชีวิตโดยหลงอยู่กับค่านิยมแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยมที่จะใช้ชีวิตโดยถือ ต, ตามธรรมนิยมแบบพระพุทธเจ้านั้นน้อยมากๆ จากั้นครก็ตามที่ใช้ชีวิตโดยใช้ปัญญาคนเหล่านี้นธรรมภาพเรียกว่าคนดีนี้คือคนดีในความหมายที่พึงประสงค์ในวันนี้พบคนดีคนดีคือคนมีปัญญาท่านทั้งหนายอยากมีปัญญาเจริญอยากมีคุณธรรมของพระโ ส, สดาบันอยากเป็นคนทุกน้อยจนเหลือทุกในดวงใจเท่าเม็ดผักกาด แสวงหาคนดีคนดีอยู่ไหนจอดสายตามองหาแล้วเข้าไปใกล้ๆท่านบอกว่าหลักในการพบคนดีทำอย่างไรหนึ่งเข้าไปอยู่ใกล้ๆสองเมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วฟังสามฟังแล้วเกิด กำลังใจอยากน้อมนำมาปฏิบัติดีนำเอาสิ่งที่ฟังจนเกิดกําลังใจนั้นนั่นแหละมาปฏิบัติให้สัมผัสผลได้ด้วยตัวเองนี่แหละจึงจะได้ประโยชน์จากคนดีเราทั้งหลายกท็ทอดตามองดูซิว่าใครคือคนดีในความหมายที่ว่านี้อย่าจำเพาะจ่อจงว่าคนดีต้องเป็นพระคนดีมีทั่วโลก ถ้าตาเรามีแววนะในน้ําทุกแห่งคุณโยมจะมองเห็นดวงดาวถ้าสังเกตพิณิพิจารณาดวงดาวก็ดีพระจันทร์เป็นบนนภาอากาศก็ดีคุณโยมไม่ต้องมองบนฟ้าหรอกมองในน้ําคุณโยมก็จะเห็นเพราะฉะนั้นทำนะอยู่ทุกคนต้องแห่งคนดีอยู่ทุกคนทุกแห่ง สำคัญก็สือว่าเรานี้มีวิจารณญาณที่จะเลือกพินิจพิจารณาหรือไม่การครบคนดีนี้พระพุทธองค์ทรงใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งว่ากัลยาณมิตรคบคนดีก็คือสแสวงหากัลายาณมิตรคนที่จะมานําชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดีงามสูงส่งประเสริฐเลิศล้ําทีนี้เมื่อคนเริ่มแสวงหากัลายาณมิตรได้แล้วทําอย่างไร เอารูปพระมาติดไว้บนหิ้งบูชากราบทุกวันแต่ไม่เข้าใจเลยว่าท่านสอนอะไรใครค่าท่านพุทธทาสถ่ายรูปไว้เยอะมากรูปของท่านนะตั้งกล้องถ่ายเองเขียนคำประกอบเองมีอยู่รูปหนึ่งอาตมภาพชอบท่านเขียนว่าไม่ทำตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์อารมภาพชอบมากรูปนี้ แต่เอาเก็บไว้ในตู้เพราะอะไรรู้สึกว่ายังทำตามอาจารย์ได้ไม่เท่าไหร่อ่านแล้วมันกระเพื่อนกระเพือนตัวเองนี่คุณโยมงจำไหมนะคบคนดีแล้วคดเฉยๆไม่ได้ต้องฟังท่านลาท่านสอนอะไรหลักของท่านคืออะไรบางคนเป็นเลูกศรหลวงพ่อคูณ เอาแต่เหรียญอย่างเดียวบางคนแย่งเงินของท่านจนถูกยิงตายนะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดด้วยแต่คนคนหนึ่งอยู่ไกลๆอยู่เชียงรายนนองเห็นหลวงพ่อคูณออกโทรทัศน์บริจาคเงินถวายในหลวงเจ็ดสิบสองล้านไม่รู้จักหลวงพ่อคูณเป็นการส่วนตัวแต่คนคนนี้ได้ธรรมะจากหลวงพอ่อคือรู้ว่าคนเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อดาเนินชีวิตโดยเป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้กอบกู้ อเขาได้คติธรรมทั้งนั้น ไ, ไม่รู้จักเป็นส่วนตัวถ้าหลวงพ่อพคูณรัดเงินรัดทองมาแล้วเก็บข้อวพวกข้ห่อมีเงินเป็นพันล้านใครจะน้าถือท่านแต่เพราะได้มาเท่าไหร่บริจาคสร้างมหาวิทยาลัยร้อยล้านที่โครราชเนี่ยสร้างมหาวิทยาลัยสองหนึ่งร้อยล้านสร้างาวิทยาลัยเทคนิคสามร้อยล้านถวายในหลวงใช้เพื่อราชการแผ่ น, น, นดินเจ้นี้กาเป็นร้อยล้านแล้ว เพิ่มคึ้นทุก ป, ปีนี่แหละท่านทั้งหายเรามองเห็นครูบาอาจารย์ของเรามีปัญญาในครูบาอาจารย์ที่อาจจะไม่สุดไม่ผุดผ่องที่สุดแต่ถ้ามองอย่างมีปัญญาเราก็จะเห็นว่าก็มีคุณค่าบางด้านที่ควรเป็นแบบอย่างได้เหมือนกันแต่ถ้าเรามองอย่างขาดวิจารณ์นันเราก็จะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยสกปรกงมงายที่งมงายก็งมงายเพื่อนดีอาตมภาพเป็นคนที่เลืยก ลมไงของท่านจงไหนที่เบี้ยวเอาจงนั้นเราเอามีลูกหนึ่งมันช้ำด้านหนึ่งเราปาดอันที่ช้ำทิ้งไปเราบริโภคเรียกว่ารู้จักมองมันกรณีนินเดนหนึ่งที่บอกว่าท้องคนยนตามช่องคนหนึ่งเหมือนคนกลมต้นตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่ไายคนมองสิ่งเดียวกันคนหนึ่งมโนจติตมองด้วยปัญญาข้อคิดเกิดความรู้เกิดปีชา ย, ยา ก็เงมองเห็นแต่ข้อด้อยข้อสดกรงเกิดความคับแคําไม่กระทับใจสุดท้ายทางออกไปไม่ได้อะไรเลยนี่แหละค้คนดีแล้วเราต้องฟังดีคําว่าฟังคนดีหมายความว่าเงียบหูฟังแต่มาเปิดตาไปเปิ ด, ป ด, ปดหูพร้อมที่จะเรียนรู้คนงามดีจากท่านทุกทุกท่านสอนอย่างฟังถ้าบับยังไ ง, ง, ด, ง, ไงดู ท่านใช้ชีวิตยังทำตา่างนี่เรียกว่าคนดีไปคุณครูที่สามเราฟังคนดีแล้วเราต้องคิดดีเพราะเราฟังคนแล้วเนี่ยถ้าคิดไม่ดีนะคนดีไม่ได้ประโยชน์อีกคนดีเราก็เจอแล้วไม่เพลทแล้วฟังคนดีช่างใจฟังแล้วแต่ไม่คิดเลยท่านว่าอะไรเชื่อหมดกลับเอาไปทําใช้ในทาราวเพราะอะไรตัวไอตรงมา ท่านอกสัตว์เป็นของดีที่สุดเพราะฉันพูดความสัตว์กลับก็เจอเจ้านายบอกเจ้านายวันนี้นาหน้าตาไม่เบือเนีกก่ยมีอะไรเกินไปหรือดอกนายพูดไม่เพราะเลยหนูอยากให้เจ้าพูดให้เพราะกว่านี้แต่ไม่รู้จักฟ้าต่ํามันดินสูงพูดเกินเกินไปนไม่ดีแต่าบางคนเนี่ยมี้าพหลดทั่วอินเทอร์เน็ตทั่วหนังสือพิมพ์นักข่าวไปสัมภาษณ์ บอกว่าปว่อยให้หลดมาได้ยังไงเธอก็พูดความจริงหมดเปลือกเลยบอกว่าเท่าที่เป็นส่วนน้อยจริงๆมีอีกหลายภาคต้นก็ถือถอดเลยนะคุณไม่ต้องยกตัวอย่างละท่านทั้งหลายอา่านก็คงจะเห็นว่าใครต้นสังกัดถอดเลยเพราะเธอต่อข่าวันนู้พูดความจริงผิดตรงไหนนี่แหละนี่แหละเพราะอะไรตัวการพูดความจริงเป็นสิ่งดีเพราะไม่คิดให้ดี ไม่รู้ต่อไปว่าเมื่อพูดความจริงบูดใหม่ใช่ไหมเป็นคนจริงนั้นจะเป็นเมื่อไหร่ใช่ไหมอาหารที่มีมาให้เราเป็นอาหารที่ดีแต่ว่ารับประทานมากเกินไปดีไหมไม่ดีเพิ่มเป็นความผิดของอาหารหรือเป็นความผิดที่บริโภคที่บริโภคมันงูกอันที่แสนดีเลยกลายเป็นพิดความขี้เหนี้ฉันใดในการฟังคนดีก็เช่นนั้นไปฟังแล้วไม่ดีนะ สิ่งที่อันตรายกับเราได้บางคนฟังพระฤาษีหูท่านเทพจังเลยไปอีกหลวงพ่อทำไมไม่มบอกเอาละหลวงพ่อองค์โน้นหมั่นจำเลย่ยังไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ฟังคนดีมาแล้วแต่ไม่คิดให้ทำคนดีทะเลาะกันาอาจารย์ทะเลาะกันเพราะเมื่เกิดตัวดีเหมือนกันก็ต้องเล่ามันคิดคิดน้วรบอบคอบ แต่จะไม่เลยเมื่อคิดให้ดีคิดขนาเดเที่ยวจะยาวเอามาแลกกันน ะ, อะตอบเราคบค น, คนดีคิดให้ดีแล้วต้องปฏิให้ดีปฏิบัธิบดีหมายความว่าที่เราคนดีมานั้นทั้งเป็นคนดีฟังคนดีสอนนั้นก็เป็นที่ดีเราคิดดีมันดีหรื อ, อยังถ้ายัางไม่ไปฏิบัติความคิดก็เป็นความคิดเป็นนามาถ่ายสมองอยู่ในจิตในใจไม่ช่วยอะไรเราเรารู้อย่างสมาธิ ฉันคิดว่าฉันจนั่สาธิแต่ฉันก็ไม่หั่งสักทใช่ไห น, นดีความคิดน่ะการตัตงทำมันดีที่สุดเลยเขาทำโหอาจากนั้นที่ได้เกิดที่ฝุดของอนุโมทนากำเนิดเทียงกะทยัยแตฝังสักครั้งหนึ่งมันดีหรื อ, อยังมันมันต้องแปลทิพเป็นการปฏิบัติปฏิบัติด้วยถ้าปฏิบัติแล้วทีนี้คุณยมได้เป็นร้อยเปอร์เซ็น พระองค์ท่านบอกว่าคนที่มาศึกษาพระธรรสอนของพระองค์แล้วเอาแต่จําแก้วนกขุนทองเปรียบเหมือนนายครับาลครับาลทายังไงเลี้ยงขื่นตอนเช้าต่ออไปตอนบ่ายต่อข้าวกินตอนข้ามรียดน้ำนมคอทำไมเอาน้ำนมใส่ให้เจ้าของเจ้าของดื่มชื่นใจส่วนในาบาลทานอะไรมีอาไานอันนั้นไปน้ํำนมเส่ดื่มไม่ได้ท้าหรอกเรียกว่า เรียงของพระพุทธเจ้าแต่ไม่นํามาปฏิทินจะเป็นแค่คนรักษาพระพุทธเจ้าคือไม่มีทางได้ดึงน้ําำนมทำหรอกถ้ามโคเท่านั้นแหละเอาพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่นตั้งนั่งนะับพระไตรปิฎกละเนี่ยเป็นคนเลี้ยงโคให้ดาวมันจะไม่มีประโยชน์อะไรตราบยังไม่นํามาสู่การปฏิบัติบางคนรู้มัวาม่ารู้มัตัวเองโกรธยังไม่รู้อีกอาจจะงให้เคยเจอเยอะมาก เมื่อแต่ลี้งโคกันอาตมาข้าเคยอลี้งโคแต่ทุกวันนี้พัฒนาตัวเองแล้วมันดึงน้ำาลีงโคมันต้องพัฒนานะใช่ไหมเมื่อเราก็มาสู่เรื่องเงาของพระพุทธศาสนาใหม่ๆเอาล่ะเราไปรับจ้างเลี้งโคให้พระพุทธเจ้ากันเถอะซื้อหสูอธรรมะมาอ่านเนี่ยนับข้ออ่านข้อทำ อ, อ๋อข้อนี้ว่าอย่างนั้นข้อนี้ว่าอย่างนี้เอาละจําให้แท่า น, นี่เรียกแรกว่าทั้งแรกเอาไปอาสาลเล่งโคอให้ท่านก่อนต่อไปขั้เข้าไปอย่งนิดนึงทายัางไงเรียนนโคเ ร, รียนนําโคคือไปอยู่กับครูบาอาจารย์ให้ท่านจึกเลยครูบาอาจารย์มีสติมีสมาธิมีปัญญามีพุชงไปฝึกกับครูบาอาจารย์เรียกว่าขั้นตอนเรียนนโคต่อมา สินสมาธิปัญญาที่อยู่ในตัวครูบาอาจารย์เมื่อเราฝึกมากขึ้นครูบาอาจารย์มีศินอย่างไรเรามีสินอย่างนั้นมีสมาธิอย่างไรเรามีสมาธิอย่างนั้นมีปัญญาอย่างไรเรามีปัญญาอย่างนั้นนี่เรียกว่าถึงขั้นดุมน้มําลําคอถึงขั้นนี้แล้วเป็นเจ้าของฟาร์มโคเป็นเจ้าของความพระพุทธศาสนาจับแก่นธรรมได้แล้วทํายังไงต่อไป ธรรมชาติของน้าในแก้วเมื่อเราเทลงไปถ้ามันจิ๋วไม่ได้แล้วมันต้องล้นคนที่ถึงทำทมที่ถึงคนทำนั้นจะล้นออกมาบำเพ็เปญประโยชน์โดยไม่ต้องรอใครอาราธนาเหมือนดอกบัวที่พอพ้นน้าพอแสงแรกาสาดต้องเท่านั้นเองธรรมชาติของบัวต้องบางคนรู้คนที่้ริยมรู้ธรรมแล้ว มันบัวที่ต้องแสงอาทิตย์อุทัยมันจะบานโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นท่านจะอยากเผยแผ่อยากสอนอยากบาเพ็ญประโยชน์ด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลื่อนระดับความเป็นชาพุทธของเราจากคนเลี้ยงโคคนเรียบนมโคคนบุ่นมนโคสุดท้ายให้เป็นเจ้าของฟารมโคคือเจ้าของฟาร์ธรรมะ เอาธรรมะไปแจกไปจ่ายมันทั่วทุกหมวัวระแหงทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่พระพุทุณาภรณ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือพุทธธรรมท่านจะทัดใจพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งแล้วท่านบอกว่าชีวิตของท่านก็ย่อมเป็นเช่นนั้นและปราถนาจะเป็นเช่นนั้นคือเป็นบทนมัสการของผู้ที่ทราบซึ้งกับรสธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเปล่งวาจา ว, ว่าข้าน้อยนี้ได้เห็นความดีงามของพระธรรม ได้รับศัทธาในพระสงฆ์ได้พีถีเบิกบานเมื่อได้ทำตนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความสะอาดสว่างสงบคือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วได้เห็นคุณมูประการของข้าออ่านข้อธรรมดังกล่าวมาจากนี้เป็นต้นไปข้าน้อยนี้จะเที่ยวไปตลอดบ้านน้อยเมืองใหญ่จากบ้านสู่บ้านจากตำบลสู่ตำบลจากเมืองสู่เมืองจากประเทศสู่ประเทศจากโลกสู่โลกเพื่อพรสอนธรรม นำทำไปโปรยไปหวานให้กับคนทั้งโลกนี่แหละคนนี้ถึงทำจริงๆจะรู้สึกอย่างนี้คือเกิดการุณาคุณเอ่อาไปทั่วสนวนรพังกายจนแร่เอาไปถึงคนข้างนอกเราจะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องปฏิบัติตามหลักปัญญาวุติธรรมสี่คือหนึ่งคบคนดีสองฟังคนดีสามคิดให้ดีสี่ปฏิบัติตให้ดีนี้เรียกว่าเป็นภัคทฤษฎี ทีนี้จะยกตัวอย่างประกอบให้คุณยมเห็นชัดว่าคนที่ดำเนินตามสี่ข้อนี้แล้วเป็นพระสวดาบามไหมเป็นปัญญาชนไหมในพุทธประวัติคุณยมจะได้เห็นได้ทราบประวัติของพระอาัคารสาวกเป็นอย่างดีคือพระสารีบทพรหมคันลานะทั้งสองท่านนี้ก่อนจะออกบวชในพระบรวรพุทธศาสนาผู้ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นเพลย์บอย เป็นลูกคนมีอันจะกินมีการศึกษาดีเยี่ยมเวลาไปไหนนี่เรียกว่ามีราชรถคานหามใช้ชีวิตเสพเลสนุกสนานมีเพื่อนแห่ตามเป็นห้าร้อยเลยนะสองคนนี้มีบริวาลคนละสองร้อยห้าสิบไปไหนทีติดถนนขาใหญ่มานี่ตอนที่ยังไม่บวชขนาดนั้นนะแต่ทั้งสองท่านเป็นนักปรัชญาด้วย เก่งมากมากวันหนึ่งไปดูละครเวทีอย่มไม่ว่ามันมีจ่ชวิทพบมิสิคคลนะมันมีมานานแล้วน ะ, ะละครกลางแจ้งละครเวทีนะอยูม่มานานแล้วสองคนนี้เคยดูทูเตะก็วันหนึ่งก็ไปดูละครกลางแจ้งละครเวทีดูไปดูไปก็คิดตรงกันวนะ่าเอ๊ะ เรามานั่งดูอะไรเนี่ยละครชีวิตชีวิตเรามันก็หม่ต่างละคร น, นะดูที่คนที่เล่นละครกับตัวเราผู้ดูละครไม่ถึงร้อยทีก็จะตายกันหมดนะเรามาเสียนในานนั่งดูสิ่งที่ไร้าสาระทําไมกันนี่แหละเรียกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวของจริงพอคิดถึงละครที่ตัวเองกําลังดูไร้าสาระเท่านั้นเนีะ จึงเลยกันออกจากโรงละครเลยกลักลับมาก็มาถามว่าคิดเหมือนฉันหรือเปล่าอุปติสามานพต่อมาคือพระสารีบดก็ถามเพื่อนท่านคือโกริสามานพโกริสามานพตอบว่าคิดเหมือนกันเลยแเราตกลงกันว่าให้อย่างนั้นเราเลิกใช้ชีวิตเป็นเฮบอยเหอะไปหาอะไรที่มันเป็นแก่นสารของชีวิตดีกว่าสองคนนี้ตกลงทิ้งความหลังให้เป็นเรื่องของวันวาน ออกหาความจริงเรียกว่าสวหวาห์มกธรรมมกธรรมก็คือทางหลุดพ้นจากทุกข์ท่องไปทัท่วชมพูตะวีตสุดท้ายมาหยุดเรียนอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งที่สันชัยเวรัตบดิ์เรียนลัตทิปัญยาของกำนัตอาจารย์สันชัยเรียกว่าลัตทินุ่นเหมือนปลาไหล <c oughs> เป็นนักปรัตญาจับเข้าสายไหนก็ไม่สะดวกวัตถุนิยมวิพาตนนี้ยม ไดอาเล็กจิกหรืออะไรก็ไม่รู้มันทันสมัยกว่าเฮเกลกว่ามากกว่าทุกคนอะ่ะเออเหมือนปลาไหลก็เรียกว่ารัตพิอมาลาวิคีติกะพิษเพ็พวกชองตอนซาพวกเฮเกลพว ก, พวกนิเช่พวกเดคาสพวกคารมาสัสพวก น, นี้ซื้ไม่ได้ไหลกว่านั้นเยอะสอคนนี้เป็นอยู่จนหมดความรู้อาจารย์รู้สึกว่าทําไมเรียนจนจบหลักสูตรแล้วมันไม่ไปไหนี้เลย กิเลสอยู่ครับใครมาเยี่ยโกรก็โกดมาเยี่ยให้หลงก็หลงมาเยี่ยให้รักก่อนรับเลยเข้าไปถามอาจารย์าอาจารย์มีแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็อบอกว่าเธออยู่กับฉันเถอะฉันจะให้เป็นอาจารย์เท่ากับฉันเลยขึ้นมาเป็นผู้บริหารด้วยกันอาจารย์ชวนเป็นซีออไม่เอา บอกสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่เงินเดินเดือนละเจ็ดแสงผมต้องการแบบเพบเมื่อคุยกันประสานผลประโยชน์ไม่ได้ทั้งสองท่านก็เสกุตบายอาจารย์ไปเลยไปสมัคหาความรู้ต่อไปก่อนจะออกจา ก, กนักอาจารย์ตกลงกันว่าเราต้องแยกทางกันเดินเพื่ออะไรถ้าเราไปทางเดียวกันมันเสียเวลากว่าจะพบครูที่ดีครูที่ดีคือสัตว์บรุษหรือคนดีที่พูดถึงข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งพบคนดีสองคนนี้ส เ, เสียเวลาสวบหาคนดีมานานมากมาอยู่กับคนดีคนหนึ่งแล้วไม่ใช่แสวงหาคนดีต่อไปก่อนจะไปหาคนดีคนต่อไปตกลงกันว่าถ้าใครได้พบคนดีที่ว่านี้ก่อนขอให้กลับมาบอกกันมีอเรียกว่าตั้งกติกากันไว้จากนั้นเป็นน้ําแยกสายเป็นไผ่แยกกอ่อไปคนละทิศคนละทาง วันนั้นตุติสามนัสผู้ต่อมาคือพระสารีบทได้เห็นพระรูปหนึ่งเดินเดินแคบบาดอยู่ในกรุงราชคกลืทันทีที่ทอดตามองเห็นพรารูปนั้นเดินอย่างสงบสำรวทเข้าไปในกรุงราชเกลือท่านนิมนน้อยที่ชื่อปฏิสารู้สึกต้องพาต้องใจมากแที่เขาเรียกัน่าแล้วก็ใส่เนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยรักแรกพบรักตัวนี้ท่านทัดแลมาจากคำว่าฉันทะไม่ใช่เลิฟนะฉันทะคือความรักความประทับใจมึงไทยเราแปลว่าพอใจเรามีปัญหาเพราะอะไรก็ถ้าผมพอใจจะทำอย่างนี้มันก็เลยมันไม่เป็นธรรมะนะผมพอใจจนหลันผมก็มีฉันทะ มีเรียกว่าแปลธรรมะแล้วแปลให้ยิ่งอัตมภาพเลยแปลหมายว่าฉันทะคือความประทับใจหรือความรักแรกพบคนรู้ค น, คนไม่มีความรักแรกพบกับอะไรแล้วนั่นเป็นเบื้ต้นของความสําเร็จซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธิบาตรสี่ตอนอายุหกขวบอสเตอ์นอนป่วยอยู่ที่บ้านพ่อเอาเข็มทิศใส่มือให้เล่ม เกิดกระทับใจในเข็นที่จะทำไม่เข็นมันต้องหันไปทางทิศเหนือตลอดเวลาเท่านั้นเองเด็กชายคนเล็กๆสนใจในวิชาฟิสิกสนใจเลยอันนี้เรีย ก, กว่าเกิดฉันทะขึ้นมาสตีเวนสตีเรเนี่ย น, นะำกำลังได้ประโวณน์พันล้านอายุสิบสองพ่อแม่ไปเที่ยวกลับมาได้กล้องเล็กๆจิดมือมาใช้ไม่เป็นโยนใส่มือให้ลูก เท่านั้นเองหนึ่งปีต่อมาลูกกำกับหนังเป็นหนังสั้นแดนาทีแล้วเอาออกฉายให้หมู่พ่อแม่พี่น้องดูกันในหมู่เพื่อนถึงได้ตังเนี่ยเป็นร้อยดอลลาร์เด็กชายคนนี้รู้ว่าเราทำอื่นไม่ได้มันต้องกำกับหนังนั่นคือจุดกาเนิดของผู้กำกับหนังที่ทุกเรื่องพันล้าน เห็นรู้อย่างว่าเมื่อเกิดรักแรกพบคือเกิดความกระทับใจในสิ่งใดก็ตามชีวิตมันจะเดินพุ้นสู่คันลองของอิทธิบาทสคือมักวิธีสู่ความสำเร็จทันทีที่อุปติสามานบพระหนุรูปนั้นและตั้งตาต้องใจรู้สึกว่าคนที่เดินสงบสำรวมหน้าตาของใสได้ถึงเพียงนี้ข้างในต้องมีดี แตด้วยความเป็นสุภาพบรุรรษที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางข่อนแต่ทางชนชั้นสูงเกิดในวันนรรัรณมแทนที่จะเข้าไปทักท่านที่ดื้อในระหว่างทางบินและบัารท่านไม่ทำนื่เรียกว่าเตืนด้วยผู้ดีมีสกุลของจรินรู้กาละเทศะเลนสะกวดรอยตามพระรูปนั้นไปจนกระทั่งท่านรับบินนละบัตฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปผลในบัตร หาน้ำล้างมือมาถวายล้างบาตรถวายเสร็จแล้วก้มกราบท่านด้วยความเคารพตบหน้อมอ่อนน้อมทำตนบรรจงถามว่าพระคุณท่านครับกระผมสังเกต ด, ดูพระคุณท่านแล้วท่านสงบเรียบร้อยสง่างามเหลือเกินผิวพรรณวันหน้าของท่านก็ช่างดูผ่องใสไร้ไฝฝ้าราขี หน้าตานั้นก็ดมบอกถึงความสุขความเบิกบานเหมือนกับดอกไม้แรกผล ก, กระผพล้ยไข่ขอกราบเรียนถามว่าใครคือศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครศาสดาของท่านมีปกติสอนยังไงพระร่วนนั้นแท้ที่จริงแล้วแม้จะเป็นพระวัยกลางคนแต่ก็คือพระอรหันยังในปัญญาวคชีธรรมห้า ซึ่งพระพุทธองค์ส่งให้ไปเผยแผ่ตามสายต่างๆเมื่อความเป็นพระอราหันต์ด้วยความเป็นนักปราชญ์นิสัยปราชญ์มักทําตน้นท่านก็บอกว่าประสบอาตมาภาพเพิ่งบวชได้ไม่นานยังไม่รู้อะไรมากหรอกนะมานัดมันมน้อยก็บอกพระคุณท่านขอรับจะพูดมากพูดน้อยนั้นเป็นเรื่องของพระคุณท่านการทําความเข้าใจเป็นเรื่องของกระผมเอง ดูรีลาการพูดนักปาชุด้วยกันนะจะมากจะน้อยไม่เป็นปัญหาผมมีปัญญาเข้าใจแล้วกัน <c oughs> นี่ถอดให้เป็นภาษาไทยเป็นอย่างนี้คนมันอยากได้ทาพระอาจาชีจึงพูดสั้นๆด้วยกวีสี่บรรทัดท่างพุทธทาสเขียนกวีในการเผยแผ่ธรรมเพราะอะไรกวีนะค่อยคำของผู้มีปัญญาดูดีๆมีธรรมะ ท่านก็พูดว่าเยทำมาเหตุปัปพาวาเป็นต้นแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่เราจะดับทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้องไปดับที่เหตุของมันและเมื่อเราดับเหตุได้แล้วมันก็มีนิโรธอยู่ในนั้นแหละพระมห า, าสมณะทรงมีวาทะตรัสสอนอย่างนี้แหละสีบ่บรงทัดนะ พอเป็นภาษาไทยที่กระชับ ก, ก็คือปรากฏการณ์ทุกอย่างในโลกนี้รุดทุกหรือปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีที่มาจะแก้ปัญหาต้องแก้ที่เหตุเมื่อแก้ที่เหตุได้แล้วปัญหาก็หมดสิน้นการจะทําัญหาให้หมดสิ้นได้ก็ต้องดําเนินตามอาริยมรรคยมแปดสี่บันฮัดคืออริยสัจสี่ เจาะไปที่แก่นของพระพุทธศาสนาเลยอุปติสาวานัทฟังแล้วท่านบอกว่าความรู้ความเข้าใจใส่กระจาญเหมือนคนที่หลุดออกจากถ้ำนู่ดเห็นแสงอาทิตย์อาบลมไปทั่วสรมฤทธิ์งกายความเข้าใจนั้นผุดพรายขึ้นมาในหัวจิตหัวใจใชนิดที่ว่าร้อยในยะพันในยะฟังจดปึ๊บอย่างลงสู่กระแสพระนิพพานเป็นโสดาบันทันที เห็นไุอยังทางกวีสีบรรทัดเข้าใจแล้วเป็นพ้าสดาบรรทันทีพระเปรียนพระอาศาชีเถรวะว่าพระคุณท่านขอรับเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าฟังตอบเป็นพ้ารหัรก็ได้นะเพราะอะไรอุปติสามาโ ห, หรือัศชีหรือหรือพระสารีบทต่อมาเนี่ยเป็นบุคคลในระดับที่เรียกกันว่าเป็นนิปพติตัมอยู่ บุคคล้ะดับจีเนสอัจฉริยะบุคคลฟังแค่หัวข้อเนี่บรรลุเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังต่อ น, นี้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านบอกว่าพระคุณท่านครับเอาไว้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวกระผมจะขอฟังวันหลังตอนนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าอยู่วัดเชตวันครับเดี๋ยววันหลังผมจะไปกราบพระบรมศาสดาของพระคุณท่านวันนี้ผมขอไปตามหาเพื่อนก่อนนี่ รักเพื่อนไหมตัวเองจะปราศรุ่ก็ได้แนละ้วแต่ไม่เอาเอาเพื่อนก่อนทําตามสัญญาทาตามสัญญาทีนี้เดินกลับหาเพื่อนนี้ตัวเบิ้ลเลยิม้มคนมีความสุขใ น, นดิ้มเขาเรียกว่าจิตยิม้มหาสิสตุปปาถ้าจิตเกิดขึ้นเพราะมีสเตจไงมันยิม้มเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติพระพุทธปฏิมาทุกตรงยิ้มหมด น, นะไปพระม่าไปดูพระพุทธปฏิมาของพระแม่เลยเขาเอาเอายกมาแกะสลักนะ ยกนี่ถ้อยู่ตามธรรมชาตินะคุณโยมแข็งพวกเลยเนะี่ยเอากันตั้งไป้ซักหนึ่งไเหลือเอาเหล็กไปทึมไปอะไรยกแข็งมากแต่เชื่อไหมพอเขาแกะสลักยกเป็นพระพุทธปฏิมาเรียบร้อยแล้วยกก็ น, นั่งยี้มเป็นพระพุทธรูปคุณโยมเห็นไหมยังพระพุทธรูปพระองค์ทำไมยิ้มนั้นคือสัญลักษณ์ของคนที่มีสติ คนที่มีสติเป็นคนที่มีความสุขสติมาสุขามเมทติคนมีสติคือคนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าพูดจริงยิ้เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านมีความสุขตลอดเวลาอุปติสมาโนบันรู้ธรรมยังถึงกระแสธรรมและทีนี้ยิ้มหลังตลอดทางไปหาเพื่อนโกริตามานพจอมมาเตอพระเมคันลานะเห็นเพื่อนมาแต่ไกล ทำไมวันนี้เพื่อนเรามันยิ้มแฉ่งมาเลยวิ้ยแสดงว่ามันต้องเจอของดีพอมันถึงจะจับไม้จับมืออบไลมาเป็นพิธีแล้วอ่ะเนี่ยยิ้มมาเนี่ยพี่เจออะไรเจอของดีมาละสิพุปติสามาลก็บอกใช่แล้วเพื่อนรับฉันได้เจอในสิ่งที่เราเพียรสมัยหามาแสนนานเชอว่ายังไงฟังนะถ้าคุณท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุนะ ถ้าเราจะดับพรากฏการณหรือความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้ต้องดับี่เหตุนะแล้วทีนี้จนถึงที่จนไปได้ด้วยพระมหาสมณะของหลวงพ่องค์นั้นสอนอย่างเนี้ยพูดยังไงว่าสอนดึงทุกเหตุของทุกภาวะที่ปลอดทุกแล้วก็วิธีดับทุกอุปติสัมานตรยืนฟังพอเพื่อนพูดจบบันลุกทั้งอยู่เหมือนกันตรวชาเลยทีนี้บรรลุภาวะยิ้มแฉ่งเลย เบิกบานมีความสุขไงที่สุดเราก็มาถึงแล้วพบแล้วสำหรับสิ่งที่แสวงหามานานเท้าของว่าที่อครส า, าวกทั้งคู่ข้างหนึ่งยังลงสู่กระแสทานแห่งพระนิพพานเย็นยืมปีติเบิกบานทำยังไงต้องไปหาต้นทานง้งนทุกหยกมีต้นนั้น เมื่อขนาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหยดน้ำนะเราได้ลิ้มแล้วยังชือนบานขนาดนี้ถ้าเราไปถึงต้นน้ําซึ่งเป็นตาน้ำํำอะไปดื่มแง้หย้นน้าํามันจะชื่นใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าช้าเราควรรับไปไปหาพระพุทธเจ้าแต่ก่อนจะไปด้วยความรู้ทั้งสองท่านเป็นคนดีนึกถึงครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่ ได้รับประทานอาหารอร่อยอร่อยก็นึกอยากจะเอาป้อนให้ลูกแต่ถ้าลูกได้ทานอะไรอ ร, อ, อร่อยอะไรต้องเรียบทานเดี๋ยวพ่อรู้คนดีจริงๆเป็นอย่งนั้นแม้แต่ได้รับประทานอาหารอร่อยก็นึกถึงคนใกล้ตัวทั้งสองท่างเป็นยอดของคนดีได้ลิ้มรสทำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งเคยสอน แม้จะไม่สั่งไม่สอนจนถึงสั่งแห่งพระธรรมก็ไม่เป็นไรไม่ลืมครูก่อนจะไปแจ้งพระพุทธเจ้าพากันไปหาอาจารย์ของตอนคือสัญชัยปริภาชกไปชักชวนอาจารย์ด้วยบอกว่าอาจารย์ครับณนะเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเขามีกับหน้าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะที่ตรัสไว้ดีเป็นธรรมะ ท, ที่นําคนออกจากทุกข เป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นข้ามกลางและที่สุดอย่างแห้จริงใครปฏิบัติตามแล้วข้ามรัตรตาสงสารได้อาจารย์ครับเราไปฝ้อพระพุทธองค์กันถ้านอาจารย์สังขัยสําคัญตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าสํานักคนระดับเจ้าสํานักจะให้ไปฟังนักคิดรุ่มใหม่ชื่อสิท ธ, ธัตถะนี่ไปสิทธัตถะจะมีอะไรก็แค่นักปรัชญานหนึ่ง สามสิบต้มต้นระดับฉันมาเป็นอาจารย์มาก่อนเขากี่ปีล่ะไม่ไปมีอะไรแบบสำคัญจนผิดเพราะฉะนั้นผ ม, นมบอกว่าคนที่แม่สงสารนันมีสามประเภทหนึ่งครูสองคนแก่นะสามพระเพิ่มอีกต่เพิหนึ่ ง, ง, นะ ป, งป็นเสคือเจ้าครูนีคิดว่า อะไรๆฉันก็รู้หมดพระพุทธศาสนานี่สอนมากี่ปีรู้หมดคนแก่ลูกหลานจะสอนอะไรไม่เอาย้ายอาบน้ำร้อนมาก่อนพระพระนี่ไม่มีใครกล้าแตะพระยกแล้วโยนหิ้งเพราะฉะนั้นถ้าพระโง่งแล้วโง่เลยพวกเธอเคยบวดหรือเปล่ามาตูนหุนพ่อ ย้างถ้าลายอย่าพูดเรื่องพระเนี่ยชาวบ้านก็บอกหวัวโน้มอย่ามาพูดเรื่องเงินเอาละสิต่างฝ่ายต่างมีทิ่ถือใช่ไหมเนี่ยและเจ้าเจ้านี่ยกไว้บนหิ้งดูชาเช่นเดียวกับพระถ้าเจ้าทำอะไรผิดไม่มีใครกล้าเตือนกลัวคอขาเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าไม่ฉลาดนะ ประชาชนก็จะปล่อยให้เจ้าไม่ฉลาดต่อไปคนสี่ประเวทนี้น่าสงสารเท่า อ, อะไรผิดแล้วไม่มีใครบอกท่านแล้วไม่มีคนเตือนอาจารย์สันชัยก็สําคัญตัวว่าเป็นครูคนที่เป็นครูแห่งครูอย่างฉันจะให้เตย์ฟังพระพุทธเจ้าซึ่งต้องจากจะรู้เมื่อไหน่นานมา่นี่กี่เดือนหรอกประมาณเจ้าเดือนเสร็จแต่สันชัยนั้นตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์มาแล้วหลายปี เพราะฉะนั้นคนระดับเจ้าสำนักอย่างฉันไม่ไปเจ้ากระทรวงจะให้ไปฟังเด็กดกรุ่นใหม่บรรยายมันไม่ฟังหรอกมันคนละชานท่านพูดมาคำหนึ่งบอกว่าตัวฉันเนี่ยจะเปรียบไปก็เหมือนจอราเทอยู่ในตุ่มเป็นสำนวนอินเดียนะสมัยเทยนเนนน้อยแปลแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรจระเทอยู่ในตุ่มไปถามใครก็ไม่มีใครเข้าใจนะ เล่าอยู่เป็นสิบปีจนาเรนประโยกแปดประโยกเก้าถึงได้เข้าใจสำนวนดีีเลี่ยมตัวนี้จอยระเกะอยู่ในตุ่มหมายความว่าอะไรตุ่มมันมีขนาดเล็กเอาจระเกะไปใส่ในตุ่มนะมันพลิกตัวทีนี่มันก็กระเทือนไปทั้งตุ่มใช่หสังชัยเนี่ยเป็นอาจารย์ของคนทั้งรัชคนจะรู้จักหมดเลย คนรุ่นดับอาจารย์พ็ิกตัวไปเป็นลูกศิษย์สมณะโคดมเขาจะดูเดือดเลยสิใช่ไหมเจอระคีใหญ่นะแล้วไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับเจอระคีน้ำจืดเล็กๆฉันมันเจอระคีอเมซอน <laughs> ให <laughs> ้อยู่เจอระคีน้ำจุดฉันไ <laughs> ม่ตายนี่คิด <laughs> อ, อย่างนี้ครูท่านเพิ่ขึ้นมาว่า ฉันเป็นจอร์ดเกสในตุ่มจะให้ขยับตัวไปอยู่หนองน้าเล็กฉันไม่ไปอยู่ตรงนี้ดีแล้วรู้สึกตัวเองนะด้วยความสงสารอาจารย์รู้ว่าลทัทธิที่อาจารย์สอนไม่มีประโยชน์ไม่ถึงความหลังทุกตัวอีกอาจารย์ครับอย่าเสียเวลาอีกเลยอาจารย์ลุกขึ้นยืนพูดเด็ดขามเลยสังถามอะไรเธอหน่อยในโลกนี้คนเมื่อคนฉลาดคนประเภดไหนมากกว่ากัน อุปเทศากัโกเลตามลบตอบพร้อมกันคนโง่มากคนฉนลาดน้อยขอรับอาจารย์ชี้คําขาดเลยเอาะคนฉนลาดให้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าของพวกเธอส่วนคนโง่ถอยไว้มาสู่สํานักของฉันเองนี่คนเดินเห็นหรืยอย่างคนโง่มากกว่าคนฉนลาดเพราะฉะนั้นพระจึงต้องทํางานหนักตลอดชีพ่ะ อาจารย์ท่านหนึ่งสอนพุทธปับญาจำข้าเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านอยากวิสูนรทฤษฎีนี้ว่าจริงไม่จริงนะท่านไปท้องสนามหลวงสร้านงนรือนนี้มนหลวงพ่อปัญญานัน้นฮะเทศแท้ธรรมะแท้แทะ้อีกส้านงนรือนนี้มนพระเจจีชื่อดังเรื่ไหนก็ได้รดน้ำมนต์แล้วท่านดูที่คนจะเหตไปหาองค์ไหน ไม่มีการทดสอบทฤษฎีของประธานเพื่อรู้อยู่กแก่ใจว่ามันเป็นจริงๆสุดท้ายสองศิษย์ที่รักก็ต้องยอมทิ้งอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้าเพราะอะไรตวนแล้วไม่ฟังก็ปล่อยอาจารย์อยู่ตามรักษาอาจารย์จนจนตายนะสุดท้ายตายแหละตายด้วยความน้อยเนือน้อต่ำใจมีาการทำประวัติศาสตร์เล่าอีกแต่เดี๋ยวจะยาวสองคนจากสัญชัยปริพัชชุกไปอยู่กับพระพุทธเจ้า ก้าเรรกที่เดินเข้าวัดเชียร์ตวันเท่านั้นแ่ะพระพุทธองค์กำลังเทศอยู่ท่ามกลางสาวกหลายรูปหลายร้อยรูปก้าเแรกที่ทั้งสองท่านเดินเข้าไปพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นทรงทักขึ้นอย่างที่ประชุมมัทสิกสุทั้งหลายเธอดูสิสองคนที่กําลังก้าวเข้ามาสู่สังฆสมาคมแห่ง น, นี้สองคนนี้แหละโบกหน้าต่อไปจะกลายเป็นคร่อัครสาวกของฉัน ยังไม่ทันได้บวชพระพุทธองค์เห็นแววก็รู้ว่านี่แหละอัจาริยะบุคคลช้างเผือกแก้วกําลังเข้ามาสู่ร่มเงาของนธธรรมวิเนยเหมือนสมเด็จโตจะไปอยู่วัดละขัคืนนั้นเจ้อาวาสฝันเห็นช้างเผือกมารื้อพระใจไปดอกละเหนือหนะาวันนั้นก่อนพระ ก, กิศีลนิมนต์ฉันออกจากวัดสั่งลูกศิษย์ไว้ว่าวันนี้ถ้าใครเอาเนนน้อยมาฝากให้รับมันทุกทุกเพราะเมื่อคืนสั่ง สายสายมีคนเอาเนีนน้อยมาฝากจริงๆเนียนน้ยเล่นั้นต่อมาคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจักรโตพรห ม, มรังสีพระมหาเถร พ, พระผู้ปราบเคืองถึงสี่ท้ยินนี่แหละพระผู้ทรงทดพระเนตรเห็นผู้ัครสาวกมาก็แสดงความยินดีออกมาทางสีพระพักเลยเมื่อมาถึงแล้วก็ขอบวชพระองค์ก็ทรงเป็นพระอุปัชาบวชให้พระสารีบวชนั้นบวชมาได้บันอยู่ได้สิบห้าวันจบนบรรลุธรรม พระมหาโมคคลานะบันเพลนอยู่เจ็ดวันวันที่แปดก็บันรู้ทำปัญญามากบนรูช้าปัญญาน้อยบัรู้ทีนหลังบันรู้ก่อนทำไมพระสารีบุตรปัญญามากบนรูช้าพระมหาโมคคลานะปัญญาเป็นรองพระสารีบุตรบัรูุก่อนเพราะอะไรสํมมณไพรบอกว่ารู้มากยากนาน <c oughs> ด้วยความที่มีปัญญามากเรียนพิเศษมาเยอะพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระสารีบุตรคิด คิดตลอดพระมหาโมคคลานะไม่คิดหน้าบอกอะไรมาทําตามหมดบรรลุก่อนหนึ่งอาทิตย์พระสา ร, รีบุตรบรรลุหลังอีกหนึ่งอาทิตย์นี่หละคือที่มาของรู้หน้ายากหนามแต่พระอาจารย์ที่อธิบายคำฮีท่านบอกว่าที่พระสา ร, รีบุตรบรรลุช้าก็เพราะว่าท่านเป็นคนสําคัญคนสําคัญก็เหมือนพระราชามหากษัตริย์พระราชามหากษัตริรย์เวลาจะเสด็จที่ไหนต้องเตรียม ง, งานเป็นปีใช่ไหม คนสําคัญจะไปไหนนี่มันเรื่องมากจริงๆดังนั้นต่อไปหลังบรรลุแล้วพระสารีบุตรจะเป็นอรหัสาวกเบื้องขวานะจะเป็นคนที่เป็นโดยสองรองจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงตั้งใจมากตั้งใจมากมีปัญญามากคิดคนมากกว่าจะบรุจึงบรลุช้าแต่พอบรรลุแล้วมีปัญญามากลึกซึ้งจริงๆอันนี้เป็นอยู่ในท่านบรรลุช้าพอบรรลุแล้วทั้งสองท่านก็ได้บวต ไม่ใช่พอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุบรรลุแล้วก็กลายเป็นแม่ทัพธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งคู่พระสารีบุตรได้รับยศย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นอารักษารสบึ่งขวาเลิศทางปัญญารับติดชอบงานนิสาการ์รเผยแท่พระมหาโมคคลานะรับยกย่องเป็นอารักษารสบึ่งซ้ายรับผิดชอบงานด้านการแสดงฤทธาอานุภาพการแสดงธรรมบางครั้งจําเป็นต้องใช้ฤทธ บางครั้งจำเป็นต้องใช้เหตุผลพระผู้เป็นทรงได้สองท่านนี้มาคนหนึ่งเก่งทางนิชาการคนหนึ่งเก่งทางฤทธานโลภพเท่ากับว่าทรงได้แขนซ้ายแขนขวาที่สมบูรณ์แบบมาแล้วต่อมาทรงได้ยอดคนอีกหลายท่านเช่นพระมหากัสปะอันนี้ก็เรียกว่าได้พระมหากัสปามาก็เหมือนกับได้ทูลาการผู้ยิ่งใหญ่มาต่อมาก็ได้พระอุบาลีก็เรียกว่าได้นักกฎหมาย ได้พระอนนท์เรียกว่าได้ขุนกลางแก้วมีคนสําคัญสําคัญในช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้มาเรียกว่าเป็นไม้เป็นมือให้หมดหากมีโอกาสอาจารย์ข้าจะพูดถึงสักครั้งหนึ่งว่าศีลละตะการใช้คนของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคนทุกคนที่มาหาพระนในช่วงแรกนั้นกลายเป็นคนสําคัญทั้งหมดพอได้ทั้งสองท่านนี้มาการท้าศาสนารุ่งเรืองมาก ตั้งแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างเป็นตึกแผ่นมั่นคงแล้วก็รุ่มเรืองมาจนถึงทุกวันนี้อตาตมาภาพนําตัวอย่างเรื่องนี้มาเล่าเพื่อจะวิเคราะห์ให้ฟังหนึ่งอุปติสามานนทกับโัวริตามานนทต่อมาคือพระสารีบุตรกับพระมหมาโมคันลานะได้ทําตามหลักธรรมที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมคือวิธีพัฒนาปัญญาท่านทําตามทั้งสี่ขั้นข้อหนึ่งคบคนดี ทั้งสองท่านพยายามแสวงหาคนดีจนไปพบคนดีคือพระอัศชิเทระต่อไปพระอัศชิเทระนำพาให้รู้จักยอดของคนดีคือพระพุทธเจ้าเมื่อพบคนดีแล้วทั้งสองท่านฟังคนดีคือฟังบทกวีประกอบธรรมของพระอัศชิเทระแล้วก็ไปฟังพระพุทธเจ้าฟังแล้วทั้งสองท่านคิดตามถ้าสารีบุทถ่าฟังบทกวีเนี่ยแล้วไม่คิดจะบรรลุไ้ ทั้งสองท่านฟังแล้วคิดหนึ่งเมื่อพระอาสชิเถระพูดบทกวีหรือกล่าวบทกวีให้อุปฏิสามานพฟังท่านก็คิดตามจนเกิดความคิดแวววาพราวราเป็นร้อยในพันในพอฟังบทกวีจบบรรลุ่อยฟังเฉยๆเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่มีทางบรรุเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฟังนั้นท่านคิดตามเกิดโยนิโสมนัสิการจึงเลิกคิดให้ดีพอคิดให้ดีแล้วทั้งสองท่านไปขอบวด เมือ่อโดบื่อแล้วเจริญสสนิพพานกับมรรคฐานทียว่าปฏิบัติให้ดีสรุปแล้วก็คือทําครบสี่ขั้นตอนของหลักการเรียเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมทำที่ทำให้ปัญญาเจริญทั้งสองท่านเมื่อทําตามรร ำ, ท, ำ, ท, ำทั้งสี่ข้อนี้แล้วไม่เพียงเจริญปัญญาเท่านั้นไม่เพียงได้เป็นพระสวดาบัณเท่านั้นแต่ทะลุไปจนถึงเป็นพระอระหันต์เลยแล้วต่อจากนั้น ก็กลายเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมช่วยสนองงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งปาริณิพานไปทั้งคู่อันนี้เองคือแบบอย่างของการปฏิบัติตามหลักที่เรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมคือหนึ่งคบคนดีสองฟังคนดีสามคิดให้ดีและสี่ปฏิบัติให้ดีการคิดให้ดีถ้าจำกัดให้สั้นที่สุดคือคิดแล้ว กุศลธรรมเจริญอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมก็คืออะไรคือความดีทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาสติขันติวิริยะศรัทธาอะไรมันเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมเสื่อมก็คือความโลภความโลภความโกรธความหลงความขี้เกียจความไม่ตั้งใจทั้งหลายมันมันหายไปมันมานลายไปโดยลําดับอันเนี้เรียกว่าคิดไม่ดี เพราะฉะนั้นเกณฑ์สั้นๆคือคิดให้ดีหมายความว่าคิดแล้วความดีงามเพิ่มขึ้นคิดแล้วฉลาดขึ้นอันนี้จริงเรียกว่าคิดให้ดีแต่ถ้าจะจำเพาะลงไปจริงๆคำว่าคิดให้ดีหรือโยนิโสมานสิการนี้มันมีวิธีการอยู่มากอาจจะสรุปว่าเป็นการคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์ ลำพังคําว่าคิดเป็นอย่างเดียวก็มีตัง้งสิบกว่าวิธีคิดเป็นคิดถูกคิดถูกก็หมายความว่าคิดถูกเรื่องเช่นจะน้ําเือนเนี่ยจะใช้เหตผลมานนั้นไม่ได้มันต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมจะดู ง, งานศิลปะเนี่ยจะมานั่งบวกลบคูณหารมาภาพนี้ดีกว่าภาพนี้ไม่ได้มันต้องใช้สุนทรียะคือใช้ความรู้สึกจะอ่านบทกวีใ ไ, ไม่นักกฎหมายมาดูความสำเร็จของบทกวีไม่ได้ คิดถูกก็หมายความว่าคิดถูกเรื่องคิดถูกวิธีคิดจะคิดเรื่องอะไรเอาวิธีคิดเรื่องนั้นมารองรับให้ถูกต้องคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดดีก็หมายความว่าเมื่อคิดแล้วไม่เบียดเบียนใครเลยในสิ่งที่เราคิดนั้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นความดีความงามมันเพิ่มขึ้นความฉลาดมันเพิ่มขึ้นความเชื่อความเสื่อมมันหายไปนี่คิดดีคิดมีประโยชน์ก็หมายความว่าเมื่อคิดแล้วเอาไปใช้ได้ผลจริงๆ คิดแล้วเอาไปใช้ได้ผลจริงๆไม่ใช่คิดแคเลิอดเแมนแตนเลยนี่งสมารามากเอาไปใช้จริงๆไม่ได้เรื่องเลยอย่างคนที่เขาสร้างบอลลนคิดเล็ดีมากถ้าทำตามนี้นะนับรองจากจะวัตกอเมริกาทนันลกเอเชียเลยเอาคนไปขึ้นสิบคนพอจุดไฟรมควันเท่านั้นเองขึ้นสิบนาทีตกเลยมือเรียกว่า คิดดีแต่มันไม่มีประโยชน์เอาไปใช้จริงไม่ได้กลายเป็นความคิดเพ้อฝันดังนั้นคํำจำกัดความของรู้จักคิดหรือคิดให้ดีถ้าแปลให้กว้างก็คือคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์คิดเป็นใช่ไหมคําว่าคิดเป็นนี่ก็หมายความว่าคิดด้วยสติคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญาอยังไม่ปลอดภัยนะเพราะอะไรปัญญาก็มีหลายประเภทอีกนะ ปัญญาเสกโกเนี่ยมันก็คิดเป็นนะปัญญาของโจรโจรก็มีปัญญาเด็กเด็กก็มีปัญญาแต่ถ้าคิดด้วยสติปุ๊บเนี่ยคิดแล้วดีเลยเพราะถ้าสาตินั้นเป็นสติที่แท้จริงมันจะเป็นตัวกำกับให้กรอบความคิดของเราเดินไปถูกทางโดยอัตโนมัติคิดเป็นคือคิดบนพื้นฐานของสติถ้าเหลืออีกไหม ถ้าไม่มีท่านไหนสงสัยเราก็พักสิบนาทีนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาปฏิบัติกันเรียกว่าตอนนี้เราเรียนรู้ทฤษฎีเรื่องการเอาขาอย่างลงน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีเอาขาลงแช่นะใ้ให้ได้สัมผัสว่าความชี่วินใจมันเป็นยังไงจากนี้ไปก็จะเิ่นพรทุกท่านได้พักสิบนาที เลืนหอนในช่วงที่สองนี้เป็นช่วงสัมมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมะแล้วบอกว่ามันดีนะมันยังไม่ได้เครื่องของการนั่งลงทำถ้าท่านบอกว่ามันดีคือขนาดฟังแล้วมันยังชื่อมนใจขนาดนั้นเนละเหมือนกับว่าเรามองเห็นรวมพึ่งโอ้โหเลื้งองรามเลยนะน้ํำพึ่ง มันก็ทําให้ท่านรู้สึกน้ํำลายส่อคิดเอเองว่ามันน่าจะอร่อยซึ่งมันก็อร่อยจริงๆแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้รับประทานความอร่อยนั้นก็เป็นเพียงความคิดพอท่านได้รับประทานจริงๆรสชาตินั้นอยู่กับท่านครั้งต่อไปท่านเห็นน้เผึ่งเห็นรวงเผึ่ ง, งท่านไม่ต้องคิดใครบอกว่ามันไม่อร่อยท่านไม่เชื่อท่านรู้แล้วนี่การปฏิบัติคือ รู้ด้วยตัวเองธรรมะที่เราฟังนั้นมันเป็นความรู้ของครูบาอาจารย์ทำยังไงจะให้ความรู้นั้นเป็นความรู้ของเราในการปฏิบัติธรรมเราต้องไม่เป็นมนุษย์ชั้นสองมนุษย์ชั้นสองคืออะไรคือฟังคนอื่นตลอดเวลาแต่ไม่มีธรรมะของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเป็นมนุษย์มือหนึงให้ได้หมายความว่าพระอาจารย์บอกว่าสติมันดีฉันก็ต้องมีสติให้ได้ สมาธิมันดีก็ต้องมีสมาธิให้ได้ปัญญามันดีก็ต้องมีปัญญาให้ได้ให้เรามีปัญญาเป็นของตัวเองมีสมาธิเป็นของตัวเองมีสินเป็นของตัวเองแล้ดื่มรถนำพุ่งคืคพระธรรมด้วยตัวเองนั้นนะคือรากฐานของการศึกษาพระพุทธศาสนาที่แท้ในบางคมภีพระอัฏฐกาหาาจารย์ผู้อธิบายพระรไตรปดกพูดไว้ดีมากท่านบอกว่า พระพุทธศาสนานั้นมีเก่นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตพระพุทธศาสนานมีเกณฑอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตไม่ได้มีเก่นอยู่ที่ตำราเป็ไม่ได้หมายความว่าตำราไม่ดีตำราเป็นแผนที่ถ้ารานแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางไม่มีทางถึงไม่ว่าจะเป็นแผนที่ดีๆ ท, ที่สุดในโลกนี้ก็ตาม ถ้าเราไม่ลงมือเดินทางไม่มีทางถึงแต่ถ้าเราได้เดินทางแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเราก็ได้รู้แล้วว่าอย่าง น, น้อยๆเราก็ได้เริ่มก้าวคนเราถ้ามันก้าวทุกวันไม่หยุดนะไม่หลุดออกนอกทางขณะที่จุดหมายมันอยู่ที่เดิมทำไมมันจะไม่ถึงใช่ไหมเก็บเงินวันละหนึ่งบาทเก็บไปเลยวันละหนึ่งบาท ท่านตั้งเต้าจะให้มันถึงร้านมันก็ต้องถึงท่านไม่อยุดสักวันนะแต่ถ้าท่านเก็บเก็บจหยุดเนี่ยถึงนั้นจะภาวนาให้มันถึงมันก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าท่านทําเหตุดีแล้วไม่ต้องภาวนาผลทาเหตุอย่างเดียวดั้นผลมันออกเองท่านรดน้ำต้นไม้ท่านไม่ต้องบอกว่าพระเจ้าประคุณวันนี้ดื่มน้ําจากปากดวของฉันแล้วขอให้พรุ่งนี้ออกดอกนะถ้ามันจะออกดอกก็ไม่ใช่เพราะคําภาวนางท่าน แต่เพราะอะไรเหตุมันดีคือมันได้รับน้ามันชุ่มมันเย็นมันมีปุ๋ยอย่าในการปฏิบัติธรรมให้ท่านทาเหตุทาเหตุแล้วไม่ต้องห่วงผลถ้าเหตุดีผลดีแต่ถ้าเหตุไม่ดีผลมันก็ไม่ดีและประการสาคัญที่สุดท่านไปรู้ไปเรียนไปฟังอะไรมาก็ตามพยายามเปลี่ยนสิ่งที่รู้ที่เรียนที่ฟังให้เป็นความรู้ของเราให้เป็นปัญญาของเราให้เป็นธรรมของเรา อย่าไปพึ่งครูบาอาจารย์กันหรอกในการเรียนทำเราต้องเรียนเป็นเส้เดือนอย่าเรียนเป็นรูปนกมีสองอย่างหนึ่งเรียนเป็นลูกน ก, นออนนน ก, นกคืออยากรู้อะไรรอพระอาจารย์มาป้อนถ้าอาจารย์ป้อนตลอดแล้งับแล้วกลืนอึดทั้งวันอันตรายไม่ดีต้องเรียนแบบเส้เดือนคือเป็นนักนักปฏิบัติลงไปสู่ภาคสนามเลยย วิใใจัยธรรมะทางสนามลงไปลุยกับมันฝึกลงลงแรงลงจิตลงใจลงศรัท ธ, ธาทำด้วยตัวของเราเองไม่ต้องทำมากทำนิดหน่อยอยก็พอแต่ให้มันมีเชื้อไว้นะอาจจะมาฆ่าจำได้ดีมองเห็นเชื้อของตัวเองว่าในอนาคตมันจะมาทางธรรมยังไม่เคยเล่าที่ไหนจะเล่าให้ฟังเผื่อท่านมีลูกมีหลานไปสร้างสภาพแวดล้อมมาไว้ คือนานประวัติของไอน์สไตน์เขกว่าไอน์สไตน์ชอบเล่นไวโอลินมากครูของอเลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นชาวญี่ปุ่นครูคนนี้มีจดจายอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กเป็นลูกของสภาพแวดล้อมเด็กเป็นลูกของสภาพแวดล้อมและพรสวรรค์มันสร้างได้ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีอาจจะมันภาพเชื่อว่าจาังหวะเข้ากับทฤษฎีนี้เลยตอนนั้นเด็กโยมแม่พาไปวัดประจํา วันหนึ่งเลิกโรงเรียนกลับมาไม่รู้จะทำอะไรคือหมกคืมใจนั่งสมาธินั่งคนเดียวเลยนะในห้องมืดมดแล้วมันยืดนั่นเป็นความประทับใจแรกแล้วอยู่ในใจมาตลอดว่าฉันชอบตรงนั้นต่อมาเราก็ได้มาเรียนทำกรรมฐานอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละเป็นย่างแรกพบของอาตมาคือทำเองเลย มือใครสนไม่มีใ ค, มมใครบอกไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครเห็นนะอยู่ในห้องเงียบๆ น, นั่งคนเดียวเลยแล้วก็เิดใจในรสชาติวันหนึ่งไปบ้านยากบ้านเรายังไม่มีทีวีเราเป็นครอบครัวที่มีพี่น้องกันเยอะย้อนหลังไปสมัยพอสอนสองเจ็ดสองแปดสองเก้าในหมู่บ้านดูเหมือนจะมีทีวีโทรทัศน์อยู่สามเครื่อง ใครมีโทรทัศน์สีน่ะประเสริฐเลยนะเป็นผู้ยนจะกินไนะด้นะอาจจะมังค่าในเดือนหนึ่งยังทําจุดเทียนดูอยู่นะยังทําได้ใช้ได้ใช้ได้ใ ช, ใช้ตะเกียงน้ํามันกา๊าซก็ยังทําอยู่เรื น, นั้นอ่ะเวลาว่างจากเลิกโรงเรียนปุ๊บเราก็จะไปเที่บ้านญาติที่เขามีทีวีแล้วไปดูทีวีของเจ้าของบ้านร้านนี้เราไปกันเหมือนงานมโหรสัพไปดูขวานฟ้าหน้าดําคนเป็นสามสิบ แห่กันไปดูก็ทั้งอยู่บ้านมันมีสามแห่งทีวีสาวดำด้วยวันหนึ่งอาจารย์ข้าก็ไปดูทีวีบ้านญาติคนนี้ในระหว่างที่ละครยังไม่มาหรือเจ้าของบ้านยังไม่พร้อมจะเปิดทีวีให้ดูก็ไปนั่งรื้อหนังสือของลูกพี่ลูกน้องไปเจอหนังสือเรียนมัธยมเล่มหนึ่งเป็นหนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนาือหัวข้อว่าด้วยทิศหก ทิศหกเรา็จะพูดถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนระบบการปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะเพื่อนที่ดีต้องมีอย่างนี้หนึ่งสองสามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อุ้ยอ่านเรื่องทิศหกแล้วประทับใจคุณสมบัติของเพื่อนนะเพื่อนที่ดีมีมีเท่าไหร่เพื่อนเทียมมีเท่าไหร่ประทับจิตประทับใจมากๆไปเอาสมุดมาคัดคัดตรงนั้นเลยนะคัดนอกจากหนังสือเล่มนั้น่ะ แล้วเอามาอ่านเด้วยความตัองสูงอูหลักของเพื่อนที่ดีนะมีอย่างนี้หลักของเพื่อนที่เลวนะเป็นอย่างนี้ต่อมาพอมาบวชได้เรียนพระธรรมวิเัยถึงได้รู้ว่าหลักที่เรียกที่เราประทับใจนึ้นเขาเรียกว่าหลักที่หกคุณสมบัติของเพื่อนแท้นั้นเรียกว่าสุหธรมิตรหรือเพื่อนแท้คุณลักสมบัติของเพื่อนเพียงเขาเรียกว่าตาปะมิตรคือเพื่อนเลว นี่นคือสิ่งที่เรานั่งคัดลอกโดยที่เรายังไม่รู้ว่าขนาดนั้นมันคืออะไรแต่รู้อย่างหนึ่งว่ามันประทับจิตประทับใจเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อาตรลข้าพเก็เลยประทับใจธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้ออันไหนที่ดีๆก็ชอบคัดชอบจดออกมาแล้วก็ดูศึกษาเจาะลึกลงไปเนี่นที่พูดมาเมื่อกี้หนสี่ข้อพูดอยู่สองชั่วโมงมันเกิด ค, ความเข้า อ, อกเข้าใจด้วยตัวของมันเอง ในเวลาจะมาพูดธรรมะเนี่ยวันก่อนนี้หลวงพ่อเจ้าว่านมาพักกับอาตมาท่านก็ถามว่าเพุ่งนี้เช้าจะไปพูดธรรมะมหาวิยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็โครงการวิถีทัศน์เอาเชิญไปบรรยายไปวิจารณนิพนธ์นิพนธ์ศิลปะปริญญาเอกท่านก็ถามว่าทําไมไม่เตรียมตัว อาจารย์ธรมค้านบรรยายมหาวิทยาลัยเกษตรสามวันสอนวันพุ่งนี้ก็ต้องไปางานหนึ่งครึ่งวันท่านถามว่าทําไมไม่เต็มสว่วางอาจารย์ธาก็ไม่เคยถามเองว่าทําไมเราไม่เต็มก็เพิ่งมาคิดได้วันเนี้ยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคือมันไม่ได้เกิดจากการท่องจําเพื่อมันแจกมันกระจางแล้วสี่ข้อนี้ก็พูดได้เป็นวันก็ได้นะถ้าจะเอาเป็นวันก็ได้นะมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่า เวลาพระองค์ตอบปัญหาเนี่ยมันจำกระจ่างจริงๆถ้าพระองค์สงสัยว่าพระองค์คิดล่วงหน้าไหมไอ้ปัญหาที่จะตอบเนี่ยพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเคยเป็นในช่างซ่อมรถใช่ไหมใ ช, มใช่ขอรับฉันถามหน่อยเวลามีคนเอารถมาให้เธอดูว่าส่วนไหนมันเสียเธอต้องคิดไหมหรือว่าเห็นเลยรู้ทันทีว่ามันบกพร่องตรงไหนถ้าพระองไม่เคยคิดแต่ทันทีที่เห็นก็รู้อะไรบกพร่องสิ่งนี้คืออะไร คือความเชี่ยวชาญคือความเชี่ยวชาญจากนั้นในเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายอย่ามัวนั่งนับคให้คนอื่นนะมาถึงท่านที่ทำทำให้เป็นเนื้อเดียวกับชีวิตแล้วถึงวันนั้นนาท่านจะไม่เสีเยเรศถ้าใครมาเชิญไปพูดที่ไหนไม่ตรงตัวเพราะอะไรมันเหมือนกับน้ำมันมันแค่เปิดก๊อกเท่านั้นแหละแล้วให้มันไหลไป อาจารย์าสังเกตตัวแลวถ้าเตรียมพูดไม่ดีจะให้พูดโดยไม่ต้องเตรียมเอาหัวข้อมาทำไมต้องเอาหัวข้อมาเคารพพระพุทธเจ้าอย่าพูดอะไรให้พลาดเคลื่อนหนักของท่านหลักต้องเอาไว้แต่วิธีการบรรยายนั้นยักยงได้ไม่ใช่สอนอริยสัจพระพุทธเจ้าพูดไว้สี่ข้อถึงที่ระบันไดอริยสัจาหายไปข้อนึเหลือสามนะ นี่ต้องระวังเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุที่ว่านักบรรดาลธรรมที่ดีอย่าทิ้งหลักแต่อย่ายึดหลักอย่าทิ้งหลักก็หมายความว่าอย่าบัญญัติเอาเองพระพุทธเจ้าปรับยังไงต้องอเคารพพระองค์ท่านไม่ใช่บัญญัติเพิ่มขึ้นมาเองขึ้นหลอกขึ้นใจเพิ่มวะธรรมขึ้นมาใหม่มีลูกเสียถามท่านตะมาจากไหนผมรู้เองมีประเภทนี้พุทธเจ้าเรียกว่าเป็นมหาโจร มีมหาโจนีน่ยม่นใช้คำแรงมากเรียกว่าขโมยธรรมของท่านมาเพราะฉะนั้นถึงไหนจะรู้ดีอยู่ใจไงก็ตามมาตภาพก็ค อ, อรถพระพุทธเจ้าตรวจสอบทุกครั้งเช็ค ข, ข้ออ่าข้อธรรมโดยพระไตรพิฎกเพื่อต้องกันว่าเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อองค์พระพุทธเจ้าหรือเปล่าอันตารายมากมากนะในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแล้วเราพูดแล้วบรรจุพระโอรสลงไป เพราะะนั้นเมื่อท่านจะเชี่ยวเชี่ยวชาญช่ำชองแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งถ้าท่านจะเป็นคนที่ถือประทีศนำทางท่านต้องรู้ว่าเส้นทางที่ท่านจะพาเขาไปนั้นท่านชัดอยู่แก่ใจหรือเปล่าถ้าไม่ชัดอย่าพาเขาง ม, มไปทั้งมืดมืดไม่ดีในเมืองไทยของเราหลายท่านล่าเลยตรงนี้คือไม่หยุดสอนก็สอนเลยบางทีพูดด้วยเพื่อคมที่ดูเท่ามากทันสมัยมาก แล้วบอกว่าของพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆไม่ใช่เดี๋ยวนี้กําลังมีเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วทําเทียมมาทําเหมือนทําแท้เนี่ยเยอะขึ้นมากมากอาจารย์ลาเขียนหนังสือที่ใครๆก็บอกว่าอ่านแล้วง่ายเรื่งหลังไม่ง่ายนะกว่าจะเขียนพุทธชงขึ้นหลังของธรรมะจิตติได้จะมาไปอยู่ป่าเดือนหนึ่งอยู่ให้มันรู้ว่าพุทธชงที่แท้จริงมันคืออะไรกลับออกมาถึงเขียน จะเขียนธรรมะติดตีได้อ่านงานของครูบาอาจารย์อยู่เป็นสามสีป่ปีไม่ใช่ไปหยิบมาแล้วก็ตอนมาเหมือนขนมชั้นไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้มีคนเขียนธรรมะตามตามาตมาเยอะเลยแล้วทำํำลวกลวกหยิบคำพูดคนนั้นมาวางคนนี้มาวางแล้วก็ตอนมาตอนมาตอนมาไม่ลงลึกไม่ศึกษาวิจัยอาจารย์ลงลึกศึกษาวิจัย ตั้งเต้าแล้วเลยอายุไม่ถึงสามสิบไม่ออกมาข้างนอกไม่ถึงปเดือนก้าไม่เผยแผ่มีคนมาเชิญไปพูดตั้งแต่เ็นเจเพศไม่ออกไปเขาเชิญจ น, นทะเลาะ ก, กันก็ไม่ไปเพราะอะไรกลัวตัวเองรู้ไม่จริงสำคัญที่สุดท่านเรียกว่าต้องรอให้มีวุตถิภาวะวุตถิคืออะไรความรู้มีความรู้พอหรื อ, อยังไม่พอต้องมีภาวะความมีความเป็น นีแต่วุฒิเนี่ยครึ่งหัครื่งใจจะพูดจะพูดเลยไม่ได้เพราะอะไรอืมคนเรามันต้องผ่านฝนผ่านลมผ่านแดดผ่านหนาวมันถึงจะรู้ว่าอะไรคือความพอมพอดีนีอะไรบ้าวุธิภาวะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาธรรมแล้วแก้วไปเป็นนักเผยแพ่ธรรมก็ขอฝากว่าพ ย, ยายามไปให้ถึงตาน้ำของธรรมะอย่าประมาท อย่าดูถูกว่าสิ่งที่เรารู้นั้นมันช่ำชองมันเชี่ยวชาญดีอยู่แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรหรือแนมะ้แต่จะเกียนหนังสือธรรมะก็เช่นเดียวกันอย่านึกว่าทําเอาง่ายๆเพราะอะไรตัวเราไม่ถึงร้อยปีตายแต่หนังสือธรามะจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีอริสโตเติลตายไปกี่พันปีปริญญาของอริสโตเติลยังเถียงกันอยู่ทุกวันในมหาวิทยาลัยทุกคนทุกแห่งเขียนอะไรไนมะ่ก็ท่าไว้เด็กรุ่นใหม่มันก็ถอนออกเอา อันนี้ก็อยากฝากท่านทั้งหลายเอาไว้ในฐานะที่เป็นผู้สนใจศึกษาธรรมะว่านอกจากเราจะศึกษาแล้ววันหนึ่งขอให้เราช่วยกันไวยแผ่และถ้าเราจะไว้แผ่แล้วก็ขอให้อยู่ทิ่ตนตั้งใจฝึกฝนทั้งในเชิงประยะทั้งในเชิงปฏิบัติแล้วขอให้เชื่อมั่นในอย่างหนึ่งว่าสภาพแวดล้อมนั้นช่วยเราได้เหมือนที่อจาภาพเล่า เราไม่ต้องรอให้เราเป็นคนที่เขาลุกสิ่งทุกอย่างหรอกแต่ขอให้สร้างสภาพแวดล้อมให้ตัวเองคือให้สภาพแวดล้อมนั้นเป็นสภาพแวดล้อมแห่งธรรมะลูกศรริษย์ของอาตมาคนหนึ่งเป็นลูกศรริษย์ท่านพุทธทาสมาทํางานเป็นนักข่าวแต่พอกลับเข้าบ้านเธอบอกว่าเธอวางทุกอย่างไว้หน้าประตูตบ้านทํามัดเย็นตอนเย็นทำวัดเช้าตอนเช้าเอาบ้านเป็นวัดนี่เรียกว่าเอาบ้านเป็นวัด ที่จัดสภาพแวดล้อมให้ตัวเองนั่นยมคนหนึ่งที่ที่มาขอรักครั้งแล้วแต่มาให้ไปเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมให้ลูกจัดสภาพแวดล้อมให้ตัวเองได้เรียนรู้ชีวิตอารถราพ์ที่มาอยู่ทุกวันนี้ก็พ่อแม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาเพื่ออะไรท่านก็ชวนเข้าวัดแต่ไม่ได้บอกว่าบวช น, นะลูกไม่บอกอ่านพระไตมีดอกนะลูกไม่บอกซื้อพระไตดปิฎกมาวางเป็นตั้งๆนะเราไม่มีปัญญาซื้อของอย่างนั้นหรอก แต่เพราะว่าเรารู้เราเห็นซึมซั์ซรับมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นลูกของสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับอาตมาเมื่อเราสนใจธรรมะเราอยากแบ่งปันให้ลูกแบ่งปันให้คนรักแบ่งปันตรงๆเขาไม่เอาอย่าเป้นว่าเขาเราสร้างสภาพแวดล้อมนะสามีกับเด็กไม่เป็ใไรเราสวดมนต์รอ <c oughs> มีอยู่ตู้หนึ่งก็มาเล่าให้ฟังมีปัญหาม้าสามีเอะอะมาทุ่งตลอด แกยังไงแกไม่หาสุดท้ายพึ่งพระไปรดละมนมาไม่หายมาหาจะมาก็ลเล่าให้ฟังไม่ต้องทําอะไรเขาร้อนมาให้เย็นไม่เคยทําอาหารก็ให้หัดทาก็แนะนําให้ทำวัดดัดทํานั้นนั้นแต่นไม่ใช่ทำแต่ของมองเย็นนะสามีจะกลับสี่ทุ่มเราทำสามทุ่มครึ่งมีตัวทุกพว่เข้ามาทุกครั้งต้องไปกระชากมาตบทกันก่อนเปิดประตุพื่เข้ามา เห็นภรรยานุ่งชุดขาวสวดมนต์สติมันมาเลยไม่กล้าเตะคนมีบุญ <c oughs> ทนอยู่สองสามาที่เม่นั้นแหละไม่เลสอนสักคำนะไปสารภราพเลยบอกว่าฉันไปขอเธอมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเธอพี่ยังจำได้ว่าท่านฝากัฝากหนาว่าเอาลูกท่านมาแล้วี <c oughs> ่ดูให้แล ตาดูหูฟังเมื่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เห็นเธอเป็นกระสอบทรายมาตลอดไม่ได้ดังใจกระซอมเอาไปนี้ไปที่สัญญาเลยว่าจะไม่ทำอีกจับสมาทันสูงแผนเลยเลิกเดี๋ยวนี้ได้ได้วัดคืนมาในบ้านได้พ่อของเล่ก์ขี่แสนดีกลับบ้านตรงเวลาเพราะอะไรเขาละอายใ จ, ใจคือพอเล่าสั่งปุ๊บไปทำงานมันไปนั่งคิด ว่าพันธุ์ญาเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราเป็นใครขอดีถึงขนานั้นเราก็ยังทำขอลงอนะไปไปม า, ม า, มาในมารราบเองเลยนะนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นของจริงเพราะให้เราเป็นมัวจต่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันมอเหมือนกับว่าเอาน้ำมันไปดับไฟไม่จบเราเอาน้าเย็นไปดับไฟปรากฏว่านี่เรื่องนี้เรื่อ ง, องได้ขน ก็ฝากท่านทั้งหลายนะว่าเออได้ธรรมะมาแล้วนะไม่ต้องสอนก็ได้จัดสภาพแวดล้อมให้สามีให้ลูกดูดิว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนใหม่เนี่ยเรื่องหนึ่งก็อยากเล่าเป็นของแถมก็คือว่าแม่คนหนึ่งโทรไปหาวันหัึ่งอาจารภาพไปออกรายการโทรทัศน์ขเขาเจริญพรรายการวิทยุช่วงสุดท้ายก็เปิดให้ถามคนแม่ก็โทรไปบอกว่าท่านเจ้าขา มีลูกกับเขาคนหนึ่งนี่เก็บไปทั้งชีวิตเลยเจ้าค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของโยมเลยวันไหนถ้ามันออกจากบ้านโยมจะนอนตาไม่หลับถ้ามันไม่กลับเข้ามาเพราออกไปเมื่อไรมีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเรียกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลจนแม่เนี่ยไม่มีเวลาไปเก็บเงินเก็บทองแล้วพอพาขึ้นโรงพักเนี่ยตำรวจก็ไม่รู้จะทํายังไงให้แม่มารับแล้วก็ปรับแล้วก็ปล่อยเพราะว่าเอาไว้ตำรวจก็บอกว่า เสียเวลาพูดยังไงมันก็ไม่ฟังก็โทรทรศัพท์มาหาบอกว่าเนี่ยอยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรคนนี้มันจะทํากับโยมอีกสักเท่าไหร่พราะมีทัศนคติต่อโลกว่าไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวร น, นะทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกคุณโยมคนนี้จะมองหน้าลูกด้วยความแค้นไม่ใช่ด้วยความรับเพราะอะไรคือเมื่อเราตั้งต้มว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวร น, นะเราจะมองด้วยความรู้สึกไม่ดีตลอด แต่างค้บอกว่าเอ้าเปลี่ยนวิธีคิดนะเปลี่ยนใหม่จากนี้ไปเนี่ยแทนที่โยมจะไปเสียเวลาทะเลาะ ก, กับลูกอาจจะน่าก่อให้โยมคิดว่าลูกนี้คือพญามารอัปเกรดขึ้นมานหน่อยแล้วยมคือใครสู้กับพญามารมันต้องเป็นพระโพธิสัตว <c> ์ <oughs> ให้แม่เป็นพระโพธิสัตวให้ลูกเป็นพญามารพญามารมาทำไมมาทดสอบบารมีพระโพธิสัตว์ เอาเวลาทีนี้ถ้าลูกมันร้ายแม่ก็บอกเลยเอาเลยลูกมาเลยมาทดสอบบา ร, รมีของแม่หละแม่จะบําเพ็ญให้เต็ม้ี่เลลูกร้ายมาแม่ก็บอกเอาเลยฉันจะสอนให้ได้ฉันจะโปรดมันยิ่งได้ฉันเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งเป้าใหม่นะทุกครั้งที่ลูกมีปัญหาแม่บอกว่ามันยังเยน็นไหมตายเกิอดอยู่ไกลมากเราเป็นพระโพธิสัตว์เราต้องโปรดลูก ทีนี้ลูกเกิดมาเลยเจเรมี่มองดูด้วยสายตาของความกรุณาเห็นลูกว่าอู้มันยังลอยคออยู่ในทะเลทุกเพราะฉะนั้นมานี่ลูกแม่จะเปิดหูเปิดตาลูกเองคิดอย่างนี้นะกลายเป็นความสงสารตั้งแต่นั้นมาเลี้ยงลูกวันหลังโทรมาเล่าให้ฟังท่านสนุกมากเลยพญามามัน เ, เลี่ยมเยอะจริงๆเล ไอ้ยมก็มีการฝึกนีนะ่เพราะอะไรก็เรียนรู้สิดูนี่ว่ามันจะมาไหมไหนยมก็ฝึกมันเลยนี่เห็นไหมเราได้ฝึกที่จะเป็นแม่เมื่ออาชีพ น, นะเพราวันนี้คุณยอมคนนี้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแต่จะไหนก่อนเหมือนกับเป็นอาริราชตรงูงเห็นท้ายถอยลูกมันนี่มันนี่ยังไงทุกอย่างนี้ตัวเองก็ทุกลูกก็ทุก พอเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองมีความสุขเกเรแค่ไหนฉันก็จะเลี้ยงฉันจะดูเสี้ยวมันจะพ้นมือแม่พระโพธิสัต์ไปได้ไหมนี่อย่างนี้เลยเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขอาจารย์ท่านแม่นาออกทางรายการวริทยุเสร็จเมยคนกลับมาวัดตัวระดับตามมาเป็นครวนเลยท่านอย่มึนวันไปไปบรรยายที่สมาครสิงคันมัมไปสอนแม่ไปเลี้ยงเดียวเพราะแม่ไม่ไม่มีสามีใช่ไหเดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นใ น, ในสังคมไทย อยาให้นั่งไปสอนวิธีเรียงลูกเราก็บอกว่าเม่เคยมีลูกก็ลองแนะนำไปว่าบางเรื่องมันก็ใช้ได้บางเรื่องมันก็ใช้ไม่ได้ก็แนะนำไปเดี๋ยวแผ่เมตตานะขอตั้งจิตอุทิศหนบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงีิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติเมตสเนจกันประชาชนทั่วไปทั้งใกล้ใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ขอทุกท่านได้กุศลตนนี้เถิน